พระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะศึกษาอริยสัจธรรมศึกษาเพื่อปริญญาธรรม น, นะศึกษาเพื่อการทําปริญญาในทุกสัตว์ศึกษาเพื่อการละสมุทัยศึกษาเพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานอบรมเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วย อ, องค์แปถ้าปฏิบัติตามนี้ก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์เช่นกับพระองค์มันบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมวันนี้ก็จงเป็นตัจจัยให้ได้ตรัสรู้ทำตา ม, ตามพระองค์ทุกท่านอนุโมทนาจนงผ่าน ข้อความในคำพีอุทานต่อจากครั้งที่แล้วนี่มาขึ้นสุ ป, ปาตาลิคามิยะสูตรในข้อหนึ่งร้อยหกสิบเก้าหน้าสี่ร้อยเอ่อเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าข้าพเจ้าได้สะดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใหญ่ได้เสด็จถึงปาตลิคามอุบาสกและอุบาสิกาชาวปาตลิคามได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใหญ่เสด็จถึงปาตลิคามแล้วลําดับนั้นแลอุบาสกชาวปาตลิคามพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับเรือนสำหรับพักของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับโดยดุษณนียภาพลำดับนั้นแลอุบาศกชาวปาตลิคามทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักษิณแล้วเข้าไปยังเรือนสำหรับพักครั้นแล้วลาดเครื่องลาดทั้งปวงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประเทีบน้ำมันแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรือนสำหรับพักพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปูราดแล้วปูราดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประเทศน้ำมันแล้วบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสำคัญกาละอันควรเถิดครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จถึงเรือนสำหรับพักพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ทรั้นแล้วทรงล้างพระบาทเสด็จเข้าไปยังเรือนสําหรับพักประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศบุรพาแม้ภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วเข้าไปยังเรือนสําหรับพักนั่งพิงฝาด้านหลังผินผินหน้าไปทางทิศบุรพาแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แม้อุบาสกชาวปาตลิคามก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปยังเรือนสําหรับพักนั่งพิงนั่งพิงฝาด้านหน้า ผินหน้าไปทางทิศประจิมคือทิศ ต, ตะวันตกแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วข้อความในอัตกถาที่กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเสด จ, จาริกไปในแควนมคธระหว่างแคว้น ว, นวัดชีกับแควนมคธเนี่ยต่อกันด้วยแม่น้ำเนี่ยนะมีแม่น้ำคงคาเนี่ยขั้นระหวางท่านพระองค์เนี่ยอยู่ในฝั่งฝั่ง ปาตะเลคามปาตะเคามนี่อยู่แควนมะคตถ้าข้ามน้ำไปก็จะเป็นแคว้นวัชีเนี่ยนะอยู่คนละแคว้นกันแต่ก็อยู่ไม่มีแม่น้ำขั้นอยู่คำว่าปาตะิลคามูเนี่ยนะก็คือตำบลหนึ่งในแคว้นมคตที่มีชื่ อ, อยังนี้เขามีข่าวว่าในวันสร้างบ้านนั้นนะต้นแค่ฝอยสองสามหนอ่อจับในทีจ่จองสร้างบ้านได้แทรกออกมาจากแผ่นดิน ก็เนื่องจากมีหนอ่อแครไฟอยเนี่ยนะขึ้นสองสามหนอ่อก็เลยตั้งชื่อว่าปาตลิคามถ้าพูดแบบบ้านเราก็บ้านแครไฟนะก็เรียกปาลาทะเลคามก็แปลเป็นภาษาเราบ้านแครไฟเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เสด็จไปถึงหมู่บ้านปาตลิคามนั้นก็พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปถึงปาตลิคามในการอะไรถ้ามีผู้ถามอย่างนี้ขึ้นมา พระองค์ไปที่หมู่บ้านนี้เมื่อไรแต่ว่าพระองค์เนี่ยให้ทรงสร้างเจดีเพื่อพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรในกรุงสาวัตถีโดยกล่าวแล้วในโหนหลั ง, งคือพระษาริบุตรนี้ปรินิพานก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานที่บ้านอะไรบ้านนาลกาคามใช่ไหมพระมหาจุนทะก็เอา สรีระธาตุเนี่ยนะคือเอาพระธาตุเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพระองค์ก็ให้สร้างเจดีนะสร้างเจดีบรรจุพระธาตุของท่านพระสารีบุตรพระองค์ก็เสด็จจากกรุงสาวัตถีมาประทับอยู่ที่กรุงราชครึกก็ให้สร้างเจดีเพื่อบรรจุพระธาตุพระมหาโมคลานะคือพระมหาโมคลานะนี้ก็มาปรินิพานที่เมืองราชครึกนะนะต้นไม้มีแก่นล้มไปทีละต้นทีละต้นเรื่อยๆนะ ในกรุงราชคเกนั้นหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จออกจากกรุงราชครกประทับอยู่ที่อัมพรัติวันแล้วเสด็จจาริกไปในชนบทเป็นการจาริกโดยไม่รีบด่วนก็จึงประทับแรมหนึ่งในที่นั้นๆก็คือแต่ละแห่งที่พระองค์เสด็จไปก็จะประทับคืนละแห่งแ ต, แต่ก็เสด็จไปเรื่อยๆเพื่ อ, อเมื่อจะทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกจึงได้เสด็จถึงปาตลิคามโดยลําดับ นะอนุเคราะห์ก็คือคําว่าอนุเคราะห์ก็อนุเคราะห์ด้วยด้วยธรรมแต่คําว่าอนุเคราะห์สัตว์โลกนั้นหมายถึงอนุเคราะห์ทั้งพุทธบริษัททั้งสี่สงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสงเคราะห์ด้วยธรรมกับสงเคราะห์ด้วยอามิตรทั้นที่ใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายก็ไม่ไม่กันดานไม่เดือดร้อนในปัจจัย4อันนี้ก็เป็นการสงเคราะห์โดยอมิตร ขณะเดียวกันก็มีการสงเคราะห์ธรรมสงเคราะห์โดยธรรมก็คือมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมพระพุทธเจ้านั้นเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งโดยอมิตรและโดยธรรมได้ยินว่าพวกอุบาสกเหล่านั้นในหมู่บ้านปาตลิคามเนี่ยบางกลุ่มตั้งอยู่ในสารณะเขามีสารณะคือนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนับถือพระธรรมเป็นที่พึ่ง นับถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วบางพวกก็ตั้งอยู่ในศีลบางพวกก็มีทั้งสารณะ น, นะหมายความว่าอยู่ทั้งในสารณะและศีลด้วยการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกคือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มพุทธศาสนาชนอยู่แล้วเป็นกลุ่มพุทธบริษัทอยู่แล้วในในหมู่บ้านปาตลิคามมันพวกอุบาสกเหล่านี้ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้ยินว่าในปาตลิคามพวกคนของพระเจ้าอาชาติศัตรูและคนของพระเจ้าลิชวีทั้งหลายก็พากันไปตามกาละอันควรก็ไล่เจ้าของบ้านให้ออกจากบ้านไอ้พวกทหารพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพ อ, อะคือหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านชายแดนต่อเขตระหว่างแคว้นวัตชีกับแคว้นมคเนี่เอกสัตว์สองเมืองนี่มันเขม่นกันอยู่นี่เขม่นกันอยู่นี่ก็จะส่งทหาร ส่งกองทหารไปไปที่หมู่บ้านเนี่ยเพื่อที่จะสอดแนมพันพวกทหารก็ไปมีอํานาจบาดใหญ่ก็ไปไล่เจ้าของบ้านเนี่ยออกไปก็ไปอยู่เองเดือนหนึ่งบ้างนะเรียกว่าเช่าแบบพร ะ, ะการเนี่ยนะเช่าแบบไม่ต้องจ่ายและต้องหาอาหารเลี้ยงด้วยเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยครั้งละเดือนบ้างครึ่งเดือนบ้างก็ตามสมควรว่างั้นสุดแท้แต่ว่าภารกิจที่ไปนั้นชาวบ้านก็เดือดร้อนมากพันพวกชาวปาตลิคามเนี่ยถูกรุกรานเป็นประจํา ทำไมไม่ย้ายหนีบอกว่าที่ดินมันเยอะเนี่ยทำไร่ไทนาได้ผลผลิตดีจะย้ายไปไหนเขาจะมาเบียดเบียนบ้างกระช่างแต่ก็ปรึกษากันปรึกษากันเลยคิดกันว่าในเวลาที่พวกคนเหล่านี้มาจักได้มีที่อยู่ก็เลยพากันสร้างศาลาหลังใหญ่กลางเมืองนะสร้างกลางหมู่บ้านสร้างเป็นอาคารใหญ่โตเลยทีนี้ก็เหมือนกับว่าต่อไปพวก คนของพระราชามาเนี่ยนะก็จะได้มีที่อยู่จะได้ไม่ต้องมาแต่ว่าไล่ชาวบ้านนี้ออกไปก็ถือว่าเป็นที่อยู่เพียงพอแก่การอยู่แก่คนทั้งหมดแล้วก็เป็นการอยู่แบบไม่เบียดเสียดซึ่งกันและกันแล้วก็แบ่งที่ว่าที่เก็บของของอิสระชนเนี่ยส่วนหนึ่งอิสระชนนี่ก็คือพวกเสรีชนอะ น, นะพวกพวก ม, พวกมีพวกมีอํานาจบาดใหญ่พวกมีอิทธิพลทั้งหลาย ก็สร้างที่ให้อยู่กลุ่มนี้ข้าวของเครื่องใช้พวกมา้าพวกรถพวกเกวียนพวกอะไรก็ไปจอดไว้กลุ่มนี้เขาค่าแบ่งให้แล้วก็ให้ที่เก็บของให้ที่อยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ที่อยู่ของพวกคนเดินทางผู้เป็นอคัญตุ ก, กะเอาไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดที่ให้ที่อยู่ของคนกำพร้าคนเข็นใจยากไร้อีกที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็แบ่งไว้เป็นที่สําหรับคนไข้คนป่วยก็ก็คือระบบ อะไรนะโรงแรมโบราณน่ะนะก็จัดกลุ่มก็แบ่งๆ่งเป็นกี่ระดับชั้นเป็นสี่ระดับชั้นชั้นแรกก็คือพวกมีฐานะพวกอิสระชนพวกทหารเป็นต้นกลุ่มที่สองก็พวกอาคารตุ ก, กะที่เดินทางมาค้าขายกลุ่มที่สมก็พวกยากจนเขินใจก็จะได้อยู่อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือพวกคนป่วยศาลานั้นก็เลยชื่อว่าอาวสถาคารคือที่พักแรมก็คือโรงแรมนั่นแหละ นะโรงก็คืออาคารใช่ไหมแรมก็คือกลางคืนนีนะก็คือที่สามารถจะสามารถพักกลางคืนได้พักแรมพักค่ําได้ก็ในวันนั้นการสร้างศาลาหลังนั้นก็ได้สําเร็จลงสําเร็จลงช่วงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปพอดีก็ชาวปาตาลิคามเหล่านั้นพากันไปในที่นั้นตรวจดูศาลาตั้งแต่ซุ้มประตูไปซึ่งสําเร็จเรียบร้อยจัดแจงไว้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานงายงานไม้งานปูนแล้วก็งานจิตกรรมเป็นต้นบอกว่าสร้างได้เหมือนเทพวิมานก็คือแปลว่าสวยมากอ่ะนะเพราะว่าลงทุนเอ่คอคว่าระดมทุนของหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยมาทาแล้วหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านนี้ตอนนี้ทุกวันก็คือเมืองอะไรเมืองปาตลีบุ ท, ที่เราเรียกว่าปัตนะนนะปตนะเนี่ยนะปัตตนะตอนหลังหมู่บ้านตรงนี้ก็เป็นเมืองหลวงของ ประเทศด้วยเนี่ยนะสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยเมืองนี้ยิ่งใหญ่มากนี่พูดถึงางานอาวสัถาคารที่พักข้างแรมเนี่ยนะคิดว่าอาวสถาคารเนี่ยเป็นที่น่ารื่นรมเป็นมิ่งขวัญยิ่งนักใครหนอใช้สอยก่อนจักพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ศกแก่พวกเราตลอดกาลนานอุบาสกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา ประโยชน์โลกนี้ที่ได้รับจากอาคารหลังนี้ก็เห็นชัดแต่คิดว่ายังไงจะได้เอาจะได้รับประโยชน์โลกหน้าด้วยนะก็คือผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้มองเห็นประโยชน์โลกนี้มองเห็นประโยชน์โลกหน้าทําอย่างไรประโยชน์โลกนี้เราก็ได้แล้วการสร้างอาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีประโยชน์ที่เห็นเอยู่แล้วล่ะแต่ทําอย่างไรจะได้รับประโยชน์ในโลกหน้าขณะเดียวกันก็ยังเป็นอุปนิสัยแก่ความพ้นทุกข์ด้วยขณะนั้นนั่นเองพวกเขาก็ได้มี พวกเขาได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงบ้านนั้นด้วยเหตุนั้นพวกเขาก็เกิดปีติโสมนัสทำการตกลงกันว่าพวกเราควรจะนำพระผู้มีพระภาคเจ้ามาบ้างก่อนนิมนต์พระพุทธเจ้ามานี่แหละที่จะให้สำเร็จประโยชน์ที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เราต่อไปด้วยว่าพระองค์นี้เสด็จมาถึงที่อยู่ของพวกเราด้วยพระองค์เองแล้ว วันนี้พวกเราก็จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่นี้แล้วก็จะให้พระศาสดาเนี่ยบริโภคใช้สอยก่อนภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันเมื่อพระภิกษุสงฆ์มาถึงพระพุทธพจน์คือประตรีปิดกก็จะมาเหมือนกันเราก็จะให้พระศาสดานิตรัสมงคลแสดงธรรมดังนั้นเมื่อรัตนะสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะใช้สอยแล้วภายหลังพวกเรา และคนเหล่าอื่นก็จักใช้สวยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเราตลอดกาลนานอย่างนี้ก็เลยพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะนิมนต์พระองค์พร้อมกับทิ่สุส่์ให้เข้าไปพักในในอวสถาคารในอาคารเป็นที่พักแรมกลางหมู่บ้านพวกเขาก็เลยไปนิมนต์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงทรงรับอวสธาอาคารอาคารเป็นที่พักแรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดก็คือให้เข้าไปเฝ้าวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยนะว่าต้องการจะบูชาพระรัตนตรยัยเมื่อบูชาพระรัตนตรัยเสร็จค่อยใช้สอยภายหลังก็จะได้ประโยชน์เรียกว่าเห็นแก่ประโยชน์โลกหน้าก่อนแล้วค่อยคิดถึงประโยชน์โลกนี้นะถ้าดูตามภาพเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ปรารภถึงว่าเดี๋ยวใช้สอยบุญหมดในชาตินี้เอาไว้ใช้ชาติหน้าต่อไปอีกแนละ้วกัน เพราะว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเขาก็พยายามคิดถึงโลกนี้คิดถึงโลกหน้าถ้ามองแบบใหญ่ๆ ห, หน่อยนะหนึ่งโลกหรือชีวิตหนึ่งชาติก็เหมือนวันนี้หนึ่งวันเท่านั้นเองแล้วก็มีพรุ่งนี้มีป ร, รินนี้ฉันใดชีวิตชาตินี้ก็มีชีวิตชาติหน้าก็ชาติถัดๆไปหลายคนก็คิดว่าโหชาติหน้าเหมือนอยู่ไกลเหลือเกินแต่ถ้าพิจารณาจนรอบคอบ เอาประวัติคนตายมาทบทวนดูจะรู้ว่าชาตินี้ไม่ได้เนิ่นนานอะไรอีกไม่นานก็จะเดินไปสู่ชาติหน้าแล้วไปสู่โลกหน้าแล้วทีนี้บางคนก็คิดว่าไอการเจริญกุศลเนี่ยรอเหตุที่ที่สมควรก่อนแล้วค่อยคิดเจริญกุศลแต่ผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ ะ, อะไรเกิดขึ้นก็ช่างเถอะเขาสา ม, มารถสแสวงหาประโยชน์โลกนี้สแสวงหา ประโยชน์โลกหน้าไปพร้อมๆกันเลยแม้กระทั่งการสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นต้นเนี่ยนะก็ปรารบที่จะเพื่อประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าได้ทันทีเครียกว่าบางคนเนี่ยยังสมัยใหม่เนี่ยเขาถือว่าการทําบุญเขาทำกุศลการอะไรเนี่ยรอแก่ๆก่อนแล้วค่อยทำเนี่ยนะไม่ทราบว่าอินิยามคําว่าแก่เนี่แค่ไหนก็ไม่ทราบแต่เขารู้ว่าบอกว่าแก่ๆก่อนก็แล้วกันคือก็เหมือนกับว่าคนที่ตายเนี่ยคนแก่อย่างเดียวยนะ ถ, ถ้าตายตั้งแต่ยังเล็กน้อยเนี่ยนะอายุน้อยๆเนี่ยนะหลายคนเนี่ยสังเกตดูอย่างเด็กๆนะรุ่นรุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยที่ตายตายไปเนี่ยเรามานึกว่ามันได้อะไรบ้างเนาะชีวิตเกิดมาชาตินี้นะเป็นชีวิตที่เจริญเติบโตมาเที่ยวเพลิดเพลินตายด้วยอุบัติเหตุบ้างตายด้วยเหตุอย่างนั้นอย่างนี้สรุปว่ามาชาติหนึ่งที่มีชีวิตเล็กน้อยไม่ได้อะไรกลับไปเลยเนี่ยนะ ไม่ได้อะไรไปไปในภพใหม่เลยท้งก็เกิดในภพใหม่เขาจะไปใช้ชีวิตแบบไหนเนาะเขาจะไปเกิดอยู่ตรงไหนเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่เคยคิดถึงประโยชน์โลกหน้าขณะเดียวกันนี้ประโยชน์อย่างยิ่งไม่ต้องพูดอยู่แล้วบางคนเนี่ยก็ประโยชน์โลกนี้ก็ยังมองไม่เห็นดังั้นคนที่มองไม่เห็นประโยชน์โลกนี้เขาเรียกว่าตาบอดสนิทเลยนะไม่เห็นประโยชน์โลกนี้ไม่เห็นประโยชน์โลก ห, หน้าก็เป็นคนตาบอดบอดชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับว่าแม้แทบจะเรียกว่าบอดถาวอ ถามว่าทำไมจึงบอดทาวรก็เพราะว่ามาพบคําสอนในพระศาสนาแล้วก็ยังบอดอยู่ตามเดิมมาพบพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้สแสวงหาอะไรที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยนะเป็นประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ก็ยังไม่ได้ประโยชน์จะกล่าวไปยายถึงประโยชน์โลกหน้าแต่สําหรับพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระมีพระธรรมเป็นสาระมีพระสงฆ์เป็นสาระบุคคลเหล่านี้เขาจะมีกรรมสกตาปัญญา มีกรรมสักตาปรราัญญารู้กรรมรู้ผลแหง่งกรรมรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกเนี่ยนะเพราะจากามีการสร้างอาคารบ้านเรือนบ้านเรือนหรือทษษษษํากิจการงานใดก็ตามที่ที่ทำขึ้นมาก็จะปรารถว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุแห่งความสุขได้อย่างไรไอเหตุแห่งทุกเนี่ยเห็นชัดๆกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเหตุแห่งความสุขเนี่ยเราจะจะทำได้อย่างไรจากสแสวงหา เหตุแห่งความสุขจากสถานที่เหล่านั้นจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างไรผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาเห็นโอกาสที่จะเจริญกุศลได้ทุกขนทุกแห่งแม้แต่กระทั่งอาคารบ้านเรือนที่สร้างเสร็จใหม่ก็สามารถที่จะน้อมไปเพื่อที่จ ะ, ะทําเหตุแห่งความสุขไปได้มันก็เราถ้าเราเป็นคนที่ฝักใฝ่ที่จะเจริญกุศลธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยนะโอกาสแห่งการเจริญกุศลเนี่ยมีมากมายเหลือเกิน คือถ้าสมาทานจะประพฤติกุศลกุศลไม่ใช่เป็นสิ่งที่เจริญยากเนี่ยนะขอให้มีใจที่จะเจริญแต่ถ้าเราไม่มีกระจิกกระใจที่จะเจริญกุศลไม่เห็นคุณของกุศลเราก็บอกว่าทํายากทํายากไอ้ที่ยากก็เพราะว่าใจนี้ไม่เคยตั้งเป้าไว้เลยว่าจะเจริญกุศลอะไรไว้บ้างชีวิตชาตินี้ใครตั้งเป้าไว้แค่ไหนว่าชีวิตชาตินี้จะเจริญกุศลแค่ไหนควรจะมีกุศ ล, ลจิตทั้งชีวิตนี้เท่าไหร่ เดีนะ๋ยนถามว่าตั้งได้ไหมเอาใจของเราถ้าตั้งไม่ได้ก็ไม่ต้องตั้งอย่างอื่นแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องไปคุยกับใครเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วถ้าหากว่าใจตัวเองยังยังตั้งไม่ได้เพราะงั้นตยังตั้งไม่ได้ยังตั้งความปรารถนาให้แก่ตัวเองไม่ได้ก็ก็ถือว่าเมือเต็มทีแล้วละเพราะงั้นแต่นี่ว่าในด้านของการเจริญกุศลจริงๆสามารถที่จะตั้งได้เนี่ยนะอาศัยจากก็หลักการการเจริญกุศลเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมก็คือทานศีลแล้ว ภาวนาถ้าแบบย่อๆจากทุกหนทุกแห่งเราสามารถเจริญทานศีลภาวนาได้อย่างไรนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะเจริญทานศีลและภาวนาเราก็เจริญได้ที่เหลือก็หาข้อมูลประกอบนะศึกษาพระธรรมคําสอนจนมีความรู้ความเข้าใจสามารถที่จะเอาไปเจริญกุศลได้ในที่ทุกหนทุกแห่งถ้าเราเจริญกุศลได้เราก็กําหนดเลือกความสุขที่จะมีในอนาคตได้ถ้าเราเลือกเจริญกุศลไม่ได้ ถึงปากจะพร่ำขอความสุขแต่ยังไงก็ไม่ได้รับความสุขอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่ทำอยู่เป็นเหตุแห่งความทุกข์บางคนก็บอกเขารังเกียจความทุกข์เหลือเกินเขาทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เขาพ้นทุกข์แต่โดยพฤติกรรมของเขาเขากำลังสร้างเหตุแห่งความทุกข์อยู่เนี่ยนะขาบอกเขากลัวความร้อนแต่วิ่งเข้าไปหาแต่กองไฟเนี่ยนะมันจะไปเย็นได้อย่างไรบางคนก็บอกเขาไม่ต้องการความสุขหรอกแต่เขาเดินไปหาเจริญแต่กุศล คนเหล่านี้ก็เท่ากับว่าแสวงหาแต่ความสุขนั่นเองพันธ์ทำทั้งหลายก็ไหลมาจากเหตุและปัจจัยพันธ์ผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเขาก็จะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นฐานะอะไรเป็นฐานะอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกขเนี่ยนะคนที่ระลึกได้สอบสวนได้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขความทุกขเขาเรียกคนเหล่านี้ว่าอย่างไรเขาเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็น คนที่รู้เหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะก็เรียกว่าบัณฑิตอะไรเป็นเหตุให้ระลึกได้ว่านี้คือเหตุแห่งความสุขอะไรคือเหตุแห่งความทุกข์ก็คือสติและสัมปชัญญะเนี่ยนะสติสัมปชัญญะพื้นฐานตัวนี้สําคัญที่สุดโดยเฉพาะศาสตะสัมปชัญญะเนี่ยนะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์มันชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละวันที่ไหลไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราได้ประโยชน์แค่ไหนเนี่ยนะ ในหน้าเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบทว่าเยนะอวสถาคารังแตนุปสักรกมิงสุความว่าอาวสถาคารนั้นเขาจัดแจงปฏิบัติ ด, ด้วยดีเหมือนเทพวิมานเพราะสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีในวันนั้นนั่นเองก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ตกแต่งให้สมควรแก่พระพุทธเจ้าเพราะว่าไ อ, ไอตอนสร้างจริงๆนี่ก็สร้างเพื่อ เพื่อให้สาเร็จกิจเนี่ยนะจะได้เป็นที่อพักของอิสระชนเป็นที่พักของคนอคันตุกะมาจากบ้านเมืองอื่นเป็นที่พักของอคนยากคนร้ายเป็นที่พักของคนป่วยคนไข้แต่ว่ายัางไม่ได้แต่งตั้งเพื่อที่จะเป็นเป็นที่บูชาพระตนะไตรเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอัธยาศัยอยู่ในป่ามีป่าเป็นที่มายินดีก็อย่างว่านะถ้าอยู่ในแวดวงต้นไม้มากๆก็อยู่ วงคนล้อมมากมากอันรสบายใจกัก น, น, นต้นไม้ล้อมมากมากมีความสุขกว่าเยอะว่างั้นท่นพระองค์จึงมีอัธยาศัยในป่ามีป่าเป็นที่มายินดีทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์เนี่ยพึงอยู่ภายในบ้านหรือไม่อยู่ก็ตามท่านพวกเราก็จะพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพอพระหฤทยัยแล้วจึงจักตบแต่งคือไปนิมนต์ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาแต่งเพื่อที่จะเป็น พุทธบูชาถ้าเกิดแต่งเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าไม่มาจะว่าไงก็ไปถามพระพุทธเจ้าก่อนนะนะถ้าพระองค์รับก็จะกลับมาประดับประดาตกแต่งให้สมควรแก่ที่พระรัตนตรัยจะได้ใช้สอยก็ทราบว่าพระองค์นี่พอพระหาฤทยัยแปลว่าพระองค์รับนะรับที่จะมาจำอ่าจำเรียกว่าค้างแรมในหมู่บ้านคําว่านิมนก็คือนิมนต์ให้มาประทับค้างแรมในในหมู่บ้านซึ่ง เขาบอกว่านานจะมีสักครั้งหนึ่งลักษณะเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะมีอยู่สองที่ที่หนึ่งก็คือที่เมืองกบิลพัทเนี่ยนะที่เมืองกบิลพัท ส, สักยะทั้งหลายเขาก็สร้างอาคารแบบนี้เหมือนกันก็นิมนต์พระพุทธเจ้าบทว่าสัพพะสันเริงอวะอวะสถาคารังสันธริตวาความว่าชาวปาตลิคามเหล่านั้นลาดอ่า อาวาสถาคานั้นอย่างที่ลาดแล้วทั้งหมดนั่นแหละก่อน called, อืนนะ่นทั้งหมดวิธีลาดของเขาโนนะบราณก็คือใช้โคมไมสดมาฉาบทาพื้นก็บอกว่าไอ้ขี้วัวเนี่ยมันใช้ได้ทั้งงานมงคลและอาวะมงคลก็งั้น <todos S 1> กๆๆ็จมูกมันหอมไปแล้วก็ปกตินะไปอินเดียเนี่ยพวกขี้วัวที่ปะเปาะข้างกำแพงก็ถือว่าปกติดีอย่างนั้น ก็ใช้โคไมยสดฉาบทาพื้นแม้ที่ฉาบไว้ด้วยปูนขาวแล้วก็คิดว่าธรรมดาโคไม้เนี่ยใช้ได้ทั้งงานมงคลงานไหนก็ใช้ได้อะนะเพราะมันเป็นเครื่องลาดอย่างดีพอรู้ว่าโคไมยแห้งแล้วก็ทาไลด้วยของหอมอะนะมีชาติสีก็สีประเภททีนี้ก็ตกแต่งให้ไม่ปรากฏรอยเท้าในที่ที่เหยียบก็ลาดเสือลำแพนที่มีสีต่างๆเอาไว้ข้างบน แล้วก็ลาดผ้าขนสัตว์พื้นใหญ่เป็นต้นเอาไว้ข้างบนเสือลำแพนเหล่านั้นลาดที่ว่างทั้งหมดอันควรจะเพืองลาดด้วยเครื่องลาดมีสีต่างๆมีหัตต์ทัรณะเป็นต้นแล้วก็มีการปูลาดถือว่าพอตกแต่งเสร็จแล้วจะ ง, งามวางนั้นเถอะแต่ชั้นล่างๆนี่ก็ใช้ขี้วัวก่อนเป็นพื้นฐานเของเรานึกไม่ออกเลยใช่ไหมจริงอยู่ในถ้ำกลางอาสนะทั้งหลาย เขาก็ตกแต่งพุทธอาสนะพุทธอาสน์ก็คือที่นั่งสําหรับพระพุทธเจ้าที่มีค่ามากพิงเสามงค์คเป็นอันดับแรกเรียกว่าเสากลางให้พระพุทธเจ้าไปนั่งพิงเสากลางเลยคือเป็นแค่วาเป็นอาคารที่เป็นโรงกลมนะเป็นโรงกลมใหญ่แล้วก็ปูเครื่องลาดที่อ่อนนุ่มน่าเรื่อนรมใจเอาไว้บนพุทธอาสน์คืออาสก็อาสนะที่นั่งของพระพุทธเจ้า จัดแจงเขนยที่มีสีแดงทั้งสองข้างเห็นแล้วก็น่าฟูใจข้างบนก็ผูกเพดานอันวิจิตรด้วยดาวทองและดาวเงินเป็นต้นที่มาของสังเกตดูในวัดจะมีอะไรนะจะมีเพดานใช่ไจะมีเพดานจะมีเรอะไรนะผ้าเป็นคล้ายๆกับร่มคล้ายๆกับฉัดเป็นต้นน่สุดแท้แต่จะหามาได้ แ, แล้วก็ประดับด้วยพวงมาลัยของหอมพวงดอกไม้ใบไม้เป็นต้น ให้กั้นตะข่ายดอกไม้ไว้ในที่ส2สองศอกโดยรอบให้เอาผ้าม่านเนี่ยล้อมในที่ประมาณ30สศอกก็ให้ลาดแคร่พนักอิงเตียงและต่างเป็นต้นเพื่อภิกษุสงฆ์ในฝาด้านหลังให้ลาดเครื่องลาดขาวไว้ข้างบนแล้วก็ให้สร้างศาลาด้านทิศตะวันออกอันเหมาะสมกับที่นั่งของตนหมายความว่าเสากลางพระพุทธเจ้าใช่หฝั่งตะวันตกทั้งหมดนี่จะเป็นของพระภิกษุสงฆ์ฝั่งตะวันออกทั้งหมดจะเป็นของ อุบาสกชาวปาตลิครมที่บอกว่าแต่งตั้งหม้อน้ำเนี่ยนะก็คือหม้อน้ำที่เป็นหม้อทองและหรือหม้อแก้วมณีที่มีค่ามากนะตุ่มน้าเงินตุ่มน้าทองสุดแท้แต่จะหาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ก็จากรล้างมือและล้างเท้าบ้วนปากตามความชอบใจเขาก็บรรจุน้าที่มีสีเหมือนแก้วมณีเต็มไว้ในที่นั้ น, น, น ใส่ดอกไม้นานาชนิดแล้วก็ผงสำหรับอาบน้ำเพื่อประโยชน์แก่การอบแล้วก็ใช้ใบกล้วยปกปิดเอาไว้ข้างบนน้ำจะได้เย็นฝุฝนละอองจะได้ไม่ตกลงไปก็ใช้ใบกล้วยปิดนะแล้วก็ระบบโบราณนะทำบุญแบบโอ้ยนี่โบราณมากเลยนะมาสองพันกว่าปีนู้นนั่นก็คำว่าตามประทีปน้ำมันเนี่ยนะเตลับปที ป, ปังอารเปตตวาความว่าให้ตามประทีปน้ามัน ที่ตะคันอันสําเร็จด้วยทองและเงินเป็นต้นวางไว้ในมือของรูปทหารและรูปที่สลักอันงดงามเป็นต้นที่ไฟฉนวนที่มีด้ามสําเร็จด้วยทองและเงินเป็นต้นก็คือไอ้ประทีปน้ํามันเนี่ยเขาจะเห็นดูนะเป็นรูปปั้นนะรูปปั้นตุกตต๊กตาทหารตุ๊กตาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็มีถ้วยเป็นประทีปน้ํามันแล้วก็วางเอ่ออะไรนะเป็นถ้วยแล้วก็จุดน้ํามันนะนะใครที่ไปอินเดียไปอะไรก็จะเห็นบ่อยแล้วละ่ะ ในคำว่าเยนาพกวาเตนุปสังกมิงสุนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ว่าชาวอุบาศ ก, กชาวปาตลิคามเหล่านั้นไม่ใช่จัดแจงแต่อวสถาคารอย่างเดียวเท่านั้นก็หามิได้โดยที่แท้ก็ยังให้จัดแจงถนนในหมู่บ้านแม้ทั้งสิ้นะเรียกว่าตบแต่งบ้านใหม่นะตกแต่งบ้านเมืองเลยให้ยกธงขึ้นนยนะยกธงขึ้นวางหม้อน้ำอันเต็มไปด้วยต้นกล้วยไว้ที่ประตูบ้าน ถ, ถ้าแต่งเอาต้นกล้วยมาจัดไว้ตามซุ้มตามประตูบ้านมีการยกธงก็ดูดูดีเหมือนกันนะ ถ, ถ้าตามตามชนบททั้งหลายนี่จะเห็นชัดอย่างยุคนี้ภาคเหนือภาคเหนื อ, อยังทํากันอยู่เนี่ยนะภาคเหนืออีสานหลายแห่งก็ยังทํากันอยู่แต่ก็วางหม้อน้ําวางต้นกล้วยไว้ที่ประตูบ้านบางทีก็มีต้นกล้วยด้วยต้นอ้อยด้วยนะมาผูกมามัดตกแต่งทําให้หมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยดารดาดไปด้วยหมู่ดาวและก็ระเบียบประทีป ให้ตีกลองร้องประกาศว่าเด็กที่ยังไม่ทิ้งทิ้งนมเนี่ยนะยังไม่อย่านมก็ให้ดื่มนมก่อนแล้วก็ให้เด็กรุ่นเล็กๆ เ, เนี่ยนะรีบกินข้าวเสียแล้วก็รีบนอนอย่าได้ส่งเสียงเอ็ดเอิงเนี่ยนะพวกเด็กๆทั้งหลายก็ให้รีบเข้านอนนะไม่ใช่มาเอะอะวยวายวันนี้พระาศาสดาจักประทับอยู่ในบ้าอยู่ภายในบ้านราตรีหนึ่งธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระประสงค์ เสียงที่เบาไม่ไม่ต้องการเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรเนี่ยนะพระองค์ต้องการอยู่เงียบๆก็เลยถือไฟฉนวนเองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ยินว่าพวกชาวปาตาลิคามเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าสำคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จัดแจงผ้าที่ยอมแล้วสองชั้น นะผ้าของพระพุทธเจ้ามีสีเหมือนดอกทองหลางแดงที่ชุ่มไปด้วยน้ำครั่งพระพุทธเจ้านี่จะใช้ผ้าจะออกแดงหน่อยนะพระองค์ก็นุ่งปกปิดมณฑนสามนน 3, ก็คือหลุมคอเข่าก็แขนเนี่ยนะเหมือนเอากัรไกลเนี่ยตัดดอกบัวดอกประทุมทรงคาดประคดเอวอันงดงามดุดสายฟ้าเหมือนเอาสังวานทองคำเนี่ยล้อมกาดอกประทุม ตรงนี้ก็พันานาชื่นชมพระสรีระคุณเนี่ยนะสรีระคุณแล้วก็พระกิริยาอาการต่างๆพระองค์ก็นุ่งห่มผ้าบางสกุลจีวร อ, อันบวรที่ย้อมดีแล้วมีสีเสมอด้วยต้นใสที่พระองค์ทรงถือเอาทำภูเขาจาั ก, กรวาลสิเนรุยุคันทรและมหาปติพีทั้งสิ้นให้หวันไหวพระองค์ก็ใช้ผ้าบางสกุลนะเหมือนอะไรเหมือนเอาผ้ากำพลแดงห่อหุ้มตะโ พ, ะพงช้าง เหมือนซัดตาข่ายแก้วประพานที่ลิ่มทองคำสูงประมาณหนึ่งอกเหมือนสวมเสื้อกําพลแดงที่สุวรรณเจดีคล้ายๆว่าเอาผ้าแดงไปห่มผ้าห่มพระเจดีทองอะนะเหมือนเมฆแดงปกปิดพระจันทร์ในวันเพ็ญซึ่งกําลังโคจรเหมือนลาดน้ำคลั่งที่สุกดีบนยอดภูเขาทองแล้วก็เหมือนเอาตาข่ายสายฟ้าแวดวงยอดเขาจิตตะกูดคือภูเขาทองเนี่ย เอาผ้าแดงหม่มภูเขาทองเนี่ยนะจะ ง, งามขนาดใดชันใดผ้าแดงที่หม่มพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นนั้นบางแห่งก็จะนิยมหม่มพระเจดีย์ด้วยผ้าผ้าแดงอ่ะนะผ้าออกแดงพระองค์นี้ก็เสด็จออกจากมณฑบทองคำที่พระองค์ประทับนั่งเหมือนพระจันเพนแล้วก็เหมือนพระสุริโยไทยดวงอาทิต ย, ยามเช้าเนี่ยนะทอแสงอ่อน จากยอดเขาโดยรอบหรือเหมือนกับไกรสอนราชสีออกจากพงป่าอันนี้ เ, เรียกว่ากิริยาที่พระองค์ออกจากที่ประทับนะลำดับนั้นแลรัศมีซ่านออกจากพระวรากายของพระองค์เหมือนกลุ่มสายฟ้านะพระพุทธรังสีใช่ไหมแลบออกจากหน้าเมฆแล้วก็จับรอบต้นไม้เหมือนสายน้ำทองคําจับที่ใบดอกผลกิ่งและคาคบที่เลื้องไปด้วยการราดรส ด้วยพุทธานุภาพเนี่ยนะหรือด้วยรัศมีที่ที่ออกจากพระวรกายเนี่ยก็เหมือนกับทองเนี่ยนะไปเคลือบไปฉาบไปทาไว้กับทุกหุ่นทุกแห่งที่พระองค์เสด็จผ่านไปหมดเลยทุกแห่งจะกลายเป็นสีทองตามไปด้วยเพราะจากพุทธรัสมีเหมือนอย่างว่านะสังเกต ด, ดูถ้าไฟสปอตไลท์ที่เป็นสีทองเนี่ยถ้าส่องส่องไปตรงไหนตรงนั้นก็จะดูคล้ายๆทองไปเกือบหมดชั้นใดนี่ก็เหมือนการพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่ะนะมีสีเหมือนทองคําชมพูนุชทองคําธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็มีพระสมีสีทองเนี่ยสร้างออกจากพวรกายอั น, นต้นไม้ใบหญ้ารอบๆ บ, บริเวณนี้จะดูคล้ายเป็นทองคํเนี่ยเหมือนอาไเอาเหมือนเอาทองเปลวไปปิดไว้งดงามหมดเลยในขณะนั้นนั่นเองภิกษุสงฆ์หมูใหญ่ถือบาทและจีวรของตนของตนพากันแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะผู้ยืนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ก็ได้เป็นผู้เช่นนั้นมาดูคุณธรรมของภิกษุสองที่ติดตามเสด็จพระพพระองค์เนี่ยนะคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีด้วยหมู่ผู้ปรารบความเพียรอันนี้ก็ลักษณะมีกถาวัตถุใช่ั้ยกถาวัตถุคือมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปา ร, รบความเพียรกถาวัตถุหข้อแรกนั่นเอง ขณะเดียวกันท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่รู้จักแนะนําสั่งสอนผู้อื่นสามารถที่จะบอกสามารถที่จะสอนสามารถที่จะแนะนําผู้อื่นให้มีความมักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียรได้ส่วนตัวของท่านเองก็ทนต่อถ้อยคําสั่งสอนผู้อื่นจะกล่าวสั่งสอนท่านอย่างพระพุทธเจ้าจะกล่าวตักเตือนแนะนําอบรมท่านเหล่านั้นก็มีใจที่ที่รับคําสอนเหล่านั้นด้วยความเคารพ ขณดเดียวกันท่านก็เป็นผู้กล่าวเตือนคือเตือนเพื่อนพระพิสุด้วยกันเป็นต้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตำหนิความชั่วทางกายวาจาและใจท่านเหล่านั้นสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็แสดงว่ามีอริยธรรมมีอริยคุณอยู่ในจิตใจเพราะท่านเหล่านี้คือโอรสของพระพุทธเจ้าผู้รับอริยทรัพย์ที่เป็นมรดกจากพระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าอันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วย่อมไพรโรดเหมือนแท่งทองคําที่แวดวงด้วยผ้ากําพลแดงเหมือนพระจันทเพ็นที่แวดล้อมไปด้วยหมู่ดาวเหมือนนาวาทองคําหรือเรือทองคำเนี่ยนะอยู่ในป่าดอกประทุมแดงและก็เหมือนปราสาส ท, ทองคําที่แวดล้อมไปด้วยภัยทีแก้วประพานก็ใครที่ได้ได้เห็นภาพได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แวดล้อมไปด้วยหมู่พระพิสุสงฆ์เนี่ยนะสงสัยอย่างจิตให้เลื่อมสายอย่างมากเลยนะของเราอ่านตามฟังตามก็ยังยังจิตให้ปีติโสมนัสและยินดีเนี่ยนะท่านพระองค์เนี่ยมีพุทธรัตมีใช่ไหมแล้วก็พระภิสุสงฆ์เหล่านั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมท่านการเห็นผู้ที่มีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมผู้ที่สั่งสมบุญบารมีมาขนาดนี้เนี่ยจะงดงามขนาดไหนขณะเราไปเห็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองใช่ไหมไปเห็นอะไรนะ บ้านเมืองที่เขาประดับประดาตกแต่งเห็นปร า, าสาทราชวังบางทีเรายังตื่นตาตื่นใจนี้ไปดูสิ่งที่บุญกรรมตกแต่งมาเนี่ยนะบุญกรรมตกแต่งแล้วก็คุณธรรมทั้งหลายตกแต่งสิ่งเหล่านี้จะงดงามขนาดไหนฝ่ายพระมหาถระมีพระมหากัสสปะเป็นประธานกพภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะปรินิพานไปแล้วเหลือพระมหากัสสปะสาวกองที่สท่านเหล่านี้เป็นผู้มีราคะอันคายแล้ว คนะายนี่ก็แปลว่าอาเจียนราคาออกทิ้งไปหมดแล้วนะหรือเป็นผู้ทําลายความเศร้าหมองทางจิตใจแล้วจิตใจของท่านปราศจากความเศร้าหมองสางกิเลสทุลีที่ที่รบชัดในภายในเนี่ยนะบาปอากุศลทั้งหลายที่อยู่ในภายในท่านก็สางนะครัว่าสางชําราสา ง, ะ ส, ะ ส, างสางก็คือถังนั่นแหละถังความเศร้าหมองที่โรคชัดอยู่ในจิตในใจเนี่ยนะอ่า เหมือนกับว่าเป็นห้องที่ได้รับการชําระจากห้องที่เต็มไปด้วยขยะหยากเยื่อเป็นต้นก็ชําระชาดล้างประดับประดาให้ตกแต่งให้ดูงดงามฉันใดความเศร้าหมองทางจิตใจของพระอริยะบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับการชําระเป็นอย่างดีท่านเหล่านั้นตัดกิเลสเครื่องผูกได้แล้วนะตัดกิเลสเครื่องผูกพันไม่ติดข้องอยู่ในตระกูลคือในตระกูลอุปถัมภ์เป็นต้นก็ไม่ติดข้องขณะเดียวกันท่านก็ไม่ติดข้องในหมู่คณะของท่านนะ ไม่ใช่ว่าท่านไม่ติดพันในคารวาสขณะเดียวกันแม้แต่หมู่ภิกษุด้วยกันเป็นต้นเพื่อนกันท่านก็ยังไม่ไม่ติดข้องหมายว่าท่านมีอัธยาศัยที่ไม่ไม่ข้องไม่แวะเพราะตัดกิเลสเป็นเหตุให้ผูกพันได้หมดแล้วท่านเหล่านั้นห่มผ้าบังสกุลจีวรที่มีสีเหมือนเมฆสีเหมือนเมฆเมฆตอนไหนดีก็ดูครื้มครื้มหน่อยนะ พระพิสูจน์เหล่านั้นที่เป็นพระอริยเจ้ามีพระมหากระสปะเป็นต้นพากันแวดล้อมล้อมใครล้อมพระพุทธเจ้านะเหมือนพญาช้างหุ้มเกราะแก้วมณีฉะนั้นสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เองเป็นผู้ปราศจากราคะอันผู้ปราศจากราคะแวดล้อมเนี่ยนะคนไม่มีกิเลสแวดล้อมด้วยผู้ไม่มีกิเลสเนี่ยนะพระองค์ไม่ปราศจากโทสะ ผู้อันปราศจากโทสะแวดล้อมพระองค์นี้ปราศจากโมหะอันผู้ปราศจากโมหะแวดล้อมพระองค์นี้ปราศจากตัณหาอันผู้ปราศจากตัณหาแวดล้อมพระองค์นี้ปราศจากกิเลสอันผู้ปราศจากกิเลสแวดล้อมพระองค์เนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยถูกต้องก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามแวดล้อมเรียกว่ามีสาวกพุทธะแวดล้อม เปรียบเหมือนเกสรแวดล้อมไปด้วยกลีบเนี่ยนะถ้าเห็นดอกบัวนะดอกบัวนี่ข้างตรงกลางจะมีเกสรมีละอองไนงะกลีบก็จะมีโดยรอบเหมือนช่อดอกไม้แวดล้อมไปด้วยเกสรเหมือนพญาช้างฉัดทันตะแวดล้อมไปด้วยช้างแปดพันเชือกเหมือนพญาหงษทตระทะแวดล้อมไปด้วยหงษ์เก้าหมืนตัวเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิแวดล้อมไปด้วยองค์แห่งเสนาหรือว่าเสนากองทัพติดตามเหมือนเท้าสกะเทวราช แวดล้อมไปด้วยเทวดาเหมือนหาริตะมหาพรหมแวดล้อมไปด้วยหมูพรหมเหมือนพระจันเพนแวดล้อมไปด้วยหมูดาวทรงดำเนินไปตามทางอันเป็นที่ไปยังบ้านตาตลิคามด้วยเพศแห่งพระพุทธเจ้าอันหาผู้เปรียบไม่ได้ด้วยพุทธวิราชอันนะอันหาประมาณไม่ได้มันพุทธลีลากิริยาอาการของพระพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยหมูพระพิสุสงทั้งหลายเนี่ยนะ เราก็คงจะนึกภาพค่อนข้างยากไหมทำบุญมาน้อยก็อย่างนี้แหละนะทำบุญยังไงนะจะได้เห็นอยังไงนนะคงจะเลื่อมใสามากไนหะคิดดูนะเห็นแบบนี้ผู้ที่เลื่อมใสถึงขนาดถวายชีวิตให้เลยใช่ไหมอย่างใครเห็นอย่างสุเมศบัณฑิตเนี่ยอดีตชาติเนี่ยท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าแบบนี้แหละท่านก็เลยถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าอุทิศชีวิตทั้งหมดแด่พระรัตนะตรยัยลําดับนั้นพระพุทธรัตมีทึบ รัศมีเทพมีสีเหมือนทองคําก็พุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหน้าของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็จดพื้นที่ประมาณแปดสิบศอกนะนพระรัศมีเนี่ยพระองค์ต้องการให้แผ่ออกไปแค่80ดศอกพระพุทธเจ้านี่สั่งรัศมีได้นะจะให้แผ่ขนาดไหนก็ได้แต่ปกติก็จะให้แวดล้อมถ้าธรรมดาทั่วไปจะให้ออกแค่วาเดียวนะบางครั้งก็จะให้ยาวกว่านั้นบางครั้งก็ให้เนี่ยอย่าง พระองค์เสด็จปาติลิขามก็ให้แผ่ออกไป80ศอกอันพระพุทธรัศมีทึบมีสีเหมือนทองคาพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหลังจากพระปรดเบื้องขวาจากพระปรดเบื้องซ้ายจดพื้นที่ประมาณ80ศอกสรุปว่าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสีทองแผ่ออกโดยรัศมีโดยรอบในตารางตารางเท่าไหร่ตาราง80เมตรเนี่ยนะนะ80เมตรโดยรอบ อันนอ้าก็ข้างหน้า4ี่เมตรข้างหลัง4ี่บเมตรก็ตาราง80ตา ร, ราง80ดสิเมตรโดยรอบเนี่ยนะมันพระ อ, องค์ไปที่ไหนก็แสงสว่างแล้วเนี่ยแสงสีทองก็พุ่งออกไปพระพุทธรัศมีทึบสีครามเหมือนสีที่ส่องออกจากคอนกยูงก็พุ่งออกจากมวยผมทั้งหมดตั้งแต่ที่สุดปลายผมข้างบนจดพื้นที่8ปดสบศอก บนท้องฟ้าพันสีเนี่ยนะถ้ากลางคืนเนี่ยเห็นเห็นชัดใช่ไหมว่ามันส่องออกไป อ, ออกขึ้นบนเนี่ยนะรัศมีมีสีเหมือนแก้วประพานก็พุ่งออกจากพระยุคลบาทเบื้องต่ำจรดพื้นที่8 2อกในแผ่นดินทึบนะสีเหมือนแก้วเนี่ยนะทะลุแผ่นดินออกไปเนี่ย40เมตรนะคิดดูฐานที่ประมาณ8 2อกโดยรอบก็คือรัศมี8 2ซอกนะห่างจากพระองค์ออกไปให้โชษช่วง แพฉชวัดเฉียงไตแล่นไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่เหมือนอะไรเหมือนเปลวประทีปดวงใหญ่แลบออกจากไฟฉนวนทองคำแล่นขึ้นสู่กลางหาวและเหมือนสายฟ้าที่แลบออกจากมหาเมฆในทวีปทั้งสก็สมัยนี้ก็อะไรนะแปดสบสออะไ ร, ะไรทั้งหลายเาก็สามารถตกแต่งได้ไ ด, ได้ถือว่าเป็นเรื่องทาขึ้นมีประโยชน์ดีกว่าเขาทั้งหมดแล พระพุทธรัศมีมีสีหกประการทำสถานที่ประมาณแปดสิบอกโดยรอบก็คือรัศมีแปดสิบซอกอนะห่างจากพระองค์ออกไปให้โชดช่วงแผ่ชวัดเฉวียงไปแล่นไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่เหมือนอะไรเหมือนเปลวประทีปดวงใหญ่แลบออกจากไฟฉนวนทองคำแล่นขึ้นสู่กลางหาวและเหมือนสายฟ้าที่แลบออกจากมหาเมฆในทวีปทั้งสี่ก็ สมัยนี้ก็อะไรนะแสงไฟสปอ์ตไลท์อะไรทั้งหลายเขาก็สามารถตกแต่งได้ได้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนี่ก็ถือว่าหูไม่ธรรมดานะสมัยนี้ถ้าพูดออกจากร่างกายของคนก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันน่แหละนันก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากอันเป็นเหตุให้ในส่วนทิศทั้งหมดรุ่งโรโชดช่วงเหมือนโปรยปลา ย, ปลายไปด้วยดอกจำปาทองคา เหมือนเอาสายน้ำทองคำเนี่ยเทออกจากหม้อทองคำเหมือนแวดวงไปด้วยแผ่นทองคำที่แผ่ออกไปเหมือนเกลือกล่อนกลนฟุ้งไปด้วยจุลแห่งดอกทองกวาวดอกกันิกาและดอกทองหลางที่ฟุ้งขึ้นด้วยลมหัวด้วนและเหมือนย้อมด้วยผงผงชาติเนี่ยนะเป็นยังไงผงชาติเนี่ยจริงอยู่พระโฉมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันรุ่งเรืองแวดล้อมด้วยอนุพยัญชนะ80ดสิ เรียกว่ารายละเอียดในการประดับประดาตกแต่งในสรีระ80อย่างมีพระศมีด้านนั้นหนึ่งวาประดับไปด้วยมหาุริศลักษณะ32ประการอันปราศจากเครื่องหม่นมองพระองค์นี้ไม่มีใยไม่มีฝ้าแล้วก็ไม่มีขี้แมลงวันเป็นต้นมันพระองค์ก็รุ่งโรดโฉดช่วงเหมือนท้องฟ้าสว่างไปด้วยหมู่ดาวที่สุกพลังเหมือนป่าปฐมที่แย้มบานเต็มที่เหมือนต้นปริชตตกะสูงร้อยยอดผลิบานเต็มที่ เหมือนครอบงำสิริกับสิริของพระจันทร์32ดวงนะของพระอาทิตย์สาดวงพระเจ้าจักรพรรดิสาองค์เทวราช32องค์มหาพรหม32องค์ที่เรียงกันตามลําดับอันนี้อนุภาพของมหาปริศลักษณะเนี่ยนะพระองค์ไปองค์เดียวก็เหมือนกับพรหมสเสด็จเหมือนกับพรหมเนี่ยจาริกเท่ไหร่สมสองเหมือนเ ท, เทวราชสามสิบสเหมือนจักรพรรดิสาท่านเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ มหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80สิ่งเหล่านี้ได้มาจากความที่พระองค์เนี่ยผู้เพียบพร้อมไปด้วยพระบารมี30สท้วนที่พระองค์บําเพ็ญมาอย่างถูกต้องด้วยดีเนี่ยนะเรียนจริยาปิฎกก็คงจะเห็นนะว่านี่เป็นผลของการที่พระองค์บําเพ็ญบุญบารมีมาเป็นอย่างดีพระองค์นั้นสิ่งที่พระองค์ได้กระทํามาก็คือบารมีสิบพระอุปปารมีสิบปรมาทบารมีสิบบารมีเหล่านี้ก็เกิดจากการบําเพ็ญ ทานรักษาศีลเจรณาเนกคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาและอุเบกขานั่นเองคุณงามความดีเหล่านี้ที่พระองค์บำเพ็ญเนี่ยนะกัลยาณธรรมแปลว่าคุณงามความดีมาจากการให้ทานการรักษาศีลเจริญเนกคัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริย ะ, เ, ะเต็มไปด้วยขันติมีสัจจะมีจิตใจที่ตั้งมั่นประกอบไปด้วยเมตตาและ อุเบกขาสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์บำเพ็ญมาตลอดสี่อสงไขยกําไรแสนกับรวมลงในอัตภาพเดียวคิดดูว่าสรีระที่ที่มาจากบุญเนี่ยนะบุญบา ร, รมีสามสิบทัศเนี่ยแล้วบุญที่ทำก็ไม่ใช่เพิ่งทำทำมาสี่อสงไขยแสนกับแล้วจะมาตกแต่งดูนะจะงดงามขนาดไหนเพราะฉะนั้นบุญเหล่านี้เมื่อไม่ได้โอกาสที่จะให้ผล คือปกติเนี่ยไม่รู้จะ อ, อะไรนะเหมือนกับว่าบุญเหล่านั้นมาแย่งกันให้ผลมาแย่งกันให้ผลเหมือนถึงความคับแคบแล้วก็เป็นเหมือนเวลาที่ยกสิ่งของในเรือหนึ่งพันลำเนี่ยมาบรรทุกลงในเรือลำเดียวกันหมายค่ะว่าบุญทั้งหมดที่ที่เคยสั่งสมมาในอดีตเนี่ยนะเท่าจํานวนเท่าที่มีอยู่ถ้าถ้าบุญมีกาลังจริงๆก็จะมาแย่งกันให้ผลเหมือนกับกวนเนี่ยนะ เหมือนกับเกวียนยกสิ่งของจากพันเล่มเกวียนมาลงในเกวียนเล่มเดียวก็เหมือนกับเวลาที่แม่น้ำคงคา25สายแยกออกจากกันแล้วก็มารวมกันเป็นสายเดียวกันที่ปากน้ำนะก็อันนี้ก็หมายถึงพระสรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธสรีระเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นที่รองรับคุณธรรมทั้งหลายรองรับอะไรคุณบ้างรองรับอรหันตคุณ รองรับสัมมาสัมพุโทโธรองรับวิชาจรณะสัมปันโนสุคโตโลกวิทูเป็นต้นะ น, นผู้ที่เลื่อมใสายในรูปเนี่ยนะเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าก็ก็เลื่อมใสายแล้วนะยังใจให้เอิบอาบผนจากพระสรีระดังที่กล่าวไปเนี่ยนะมีคนบางคนเรียกว่าพรามหลายท่านไม่ใช่น้อยเลยเขาบอกว่าชาตินี้ขาดการเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยบวช บวชแล้วก็ตามดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ทําอะไรทั้งนั้นเน่ยชันเสร็จก็มานั่งดูพระพุทธเจ้ารงไปที่ไหนก็ตามดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวใครบั่งภวกลิเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพิสุทั้งหลายเป็นพันเนี่ยนะใครมาก็ช่างน่ยไม่สนใจนั่งดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะพานั่งดูพระพุทธเจ้าเพราะว่าศรีระของผู้ที่มีบุญตกแต่งเนี่ยชวนให้หน่าดูใช่ไหมตรงกันข้ามกับศรีระที่บาปตกแต่งนะโอ้ย เป็นไปได้อย่าเห็นนั่นดีที่สุดถ้าเห็นก็ขอเห็นครั้งเดียวถ้าเห็นครั้งที่สองร้อยมันสั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างนี้หรื่าเพราะน่ะผลบาปนี่เป็นอย่างนั้นแต่คนนะั่นเชื่อไหมชอบเจริญบาปไม่ชอบเจริญบุญก็เลยอะไรนะคนอื่นก็ชอบเห็นแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วว่างั้นนะถ้าอย่างจําได้ไปบางแห่งเนี่ยนะโอ้ยไม่รู้ไปทําบาปทํากรรมอะไรมาเนาะหน้าตาเนี่ยเรียกว่าขนาดว่พ่อแม่เห็นแล้วยังรู้ทําใจได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ หรือว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานมองเห็นไม่รู้จะทำใจได้แค่ไหนก็อย่างว่านะผลบาปก็ให้ผลตามสมควรแก่กรรมขณะเดียวกันผลบุญก็ให้ผลตามสมควรแก่บุญนั่นแหละทัานบุญเนี่ยเป็นตัดใ จ, จให้ได้รับความสุขเช่นนี้ไห น, นไม่ทํเนาะไฟฉนวนหลายพันดวงก็โผล่ขึ้นเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สว่างสวัยอยู่ด้วยพระพุทธังศีนี้ ทั้งเบื้องพระปริสดสาคือข้างหลังพระปรัดขวาปัดซ้ายคือข้างซ้ายข้างขวาก็เหมือนกันนะกล่มพุทธบูชาทั้งหลายก็หาดอกมะลิดอกจำปาดอกมะลิซ้อนดอกบัวแดงดอกบัวเขียวดอกพิกุลแล้วก็ดอกไม้ย่างทายเป็นต้น น, นะเรียกว่าดอกไม้เท่าที่มีอยู่ในยุคนั้นนะเท่าที่มีอยู่ก็หากันหรือไม่ว่าจะเป็นจุลเครื่องหอมสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นเรียงรายนะไอ้ผงเหลืองผงแดงเนี่ยนะที่อินเดียนี่เยอะนะ ที่ที่อะไรนะตะโปธารามเนี่ยจะมีผงเหลืองผงแดงเนี่ยเยอะหน่อยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็แถวแม่น้ําคงคาที่ใกล้ๆเขาอาบน้ำเขาจะมีผงดดมเมล็ดฝนที่ปราศจากมหาเมฆทั้งสี่ทิศเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีองค์หและเสียงก้องสะดุดีเกี่ยวกับพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณได้เป็นเสมือนมีปากพูดเต็มไปทั่วทุกทิศ แสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยพระพิสุท์ทั้งหลายเอ่อขอไปอุบาสกอุบาสิกาทเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันสวดอิติปิโสกันคลึมไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะสรรเสริญพระพุทธคุณก็สรรเสริญด้วยอิติปิโสพระธรรมคุณก็สวากขาโตสังคคุณก็สุปฏิปันโนเป็นต้นเสียงสรรเสริญในพระรัตนตรัยก็ดังกึกก้องไปทั่วทุกทิศไปหมดเลยดวงตาของเทพของสุบรนคือครุดของหน้าของยักษ์คนทันและมนุษย์ ได้เป็นเสมือนได้ดื่มอมตะดื่มน้ำอมฤตดวงตาที่เห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระพิสุสงเนี่ยนะดวงตาอันนั้นเหมือนกับว่าดวงตาที่ไม่ตายเหมือนกับดวงตาที่ได้ดูดดื่มสิ่งที่ไม่ตายเพราะว่าท่านเหล่านั้นเห็นธรรมที่ไม่ตายคือพระนิพพานควรจะสรรเสริญการเสด็จไปโดยเป็นพันพันบทท่านก็ให้แนวทางดังต่อไปนี้ว่า พระผู้นาวิโลกพระผู้นำโลกไปให้วิเศษผู้สมบูรณ์ด้วยสารพางกายอย่างนี้ผู้ทําแผ่นดินให้หวั่นไหวผู้ไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์เสด็จดำเนินไปอยู่ตรงนี้ก็เป็นสรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยนะพระองค์ผู้นำสัตว์โลกไปให้วิเศษนำไปไหนก็นำไปสู่ทิศที่พ้นจากอบายทุขติวินิบาตนรกพ้นจากวัตรทุกข์ทั้งมวลพระองค์นี้ สริระของพระองค์เนี่ยประดับประดาตกแต่งด้วยอนุพยัญชนะ80มหาปริศลักษณะ3 2มรัศมีมีสีหประการเป็นต้นพระองค์เนี่ยถึงจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์อื่นเลยเต็มไปด้วยใจที่หวังอนุเคราะห์สัตว์อื่นฉฉนเนอาอสัตว์อื่นจึงจะพ้นทุกข์เพราะตรงกันข้ามกับเบียดเบียนก็คือกรุณาเนี่ยนะผู้ที่ขาดการุณาก็มุ่งเบียดเบียนสัตว์อื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระองค์เป็นผู้ที่มีใจอนุเคราะห์หวังประโยชน์หวังความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายหวังที่จะปลดเรื่องหมูสัตว์ให้พ้นไปจากความทุกข์พระผู้องค์อาจในหมู่นรชนทรงยกพระบาทขวาขึ้นก่อนผู้เพียบพร้อมไปด้วยสิริผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าเสด็จไปโงดงามนะถ้าได้เห็นเนี่ยยจะเลื่อมายมากเลยนะไปดูร่องรอยที่พระองค์เคยเสด็จเอากันแล้วกัน พื้นพระบาทเบื้องล่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐผู้เสด็จดำเนินไปก็อ่อนนุ่มถูกพื้นดินอันสม่ำเสมอไม่แปดเปื้อนด้วยทุลนะีพระองค์ก็เหยียบถูกพื้นนะแต่ว่าไม่เปื้อนเมื่อพระโลกกนายกเสด็จดำเนินไปในสถานที่ลุ่มย่อมนูนขึ้นสถานที่นูนขึ้นก็สม่ำเสมอทั้งที่แผ่นดินไม่มีจิตใจเพราะอะไรเพราะบุญที่พระองค์ทำมาดีชาระถนนหนทางปรับ พื้นที่ในการเจริญกุศลเอาไว้เป็นอย่างดีพรานพื้นที่พระบาทที่พระองค์ประทับวางแต่ละแห่งแต่ละแห่งจะพอดีหมดเลยบางแห่งนะเขาบอกว่าพระองค์จะเหยียบพื้นที่สูงเป็ น, เ ป, นเป็นหลายหลายสิบยอดก็ตามนะมันจะยุบให้พอดีจะเหยียบในที่เหวที่ตรงนั้นก็ยุบนูนให้ให้เหยียบพอดีแล้วพระองค์เสด็จไปก็ปกติตามเดิมหมดอันนี้ด้วยบุญที่พระองค์สั่งสมมาดีสมัยนี้คนมีบุญเนี่ยนะจะไปที่ไหนเขาก็แต่งทางให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม ขอให้บอกก่อนเถอะเดี๋ยวก็พักเดียวนะเตี้ยนหมดเลยนะเมื่อพระผู้นำโลกสเสด็จ ด, ดำเนินไปมกคาคือหนทางก็ปราศจากหินปราศจากก้อนกรวดกระเบื้องถ้วยแล้วก็หลักตอน้ำไม่มีน้าเลยเป็นถนนที่ราบเรียบนุ่มพระองค์ไม่ยกพระบาทในที่ไกลเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่ซอยพระบาทในที่ใกล้เกินไปก้าวก็ไม่ยาวจนเกินควรแต่ก็ไม่สั้นจนเกินงามนะ ขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่หนีพระชานุคือข้อเข่าเนี่ยไม่ชนกันและข้อพระบาททั้งสองก็ไม่เบียดเสียดกันดำเนินไปก็แสดงว่าดำเนินไปด้วยพื้นที่ที่งดงามพระมุนีผู้มีการดำเนินเพียบพร้อมมีพระไถยตั้งมั่นแสดงว่าอันเนี้ยสันเสริญที่อิริยาบทใช่ไหมอริยาบทเหล่านี้ที่เดินมีอะไรเป็นสมุทฐานก็มีจิตเป็นสมุทฐานใจที่ตั้งมั่นเป็นสมุทฐานให้เกิดกิริยาอาการที่ดาเนิน เมื่อพระองค์เสด็จไปก็ไม่เสด็จเร็วเกินไปทั้งก็ไม่เสด็จช้าเกินไปพระองค์เสด็จไปโดยไม่ทอดพระเนตรดูเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางทิศน้อยทิศใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ทอดพระเนตรเพียงชั่วแอกก็คือลืมชั่วชั่วประมาณสักสาสีว่วาเนี่ยนะพระองค์ก็ดูประมาณเท่านั้นก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะดูเหมือนกับคนไปดูอะไรนะดูบนดูล่างลอกเล็กแบบคนไม่ได้ฝึกก็ไม่ใช่อย่างนั้น พระชินเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเสด็จเยื้องไกลดุจพญาช้างย่อมงดงามในการเสด็จดำเนินไปพระองค์เป็นผู้เลิศของโลกเสด็จดำเนินไปงดงามทําโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ร่าเริงพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดเนี่ยนะใจของหมูสัตว์ทั้งหลายก็ร่าเริงรื่นเริงเบิกบานใจนะจิตใจก็สงบประงับไม่กังวนกวายพระองค์นี่งดงามดุจพญาอุศภะพญาอุศภก็คือโค จะฝูงเป็นเป็นพันเป็นหมื่นตัวเนี่ยนะเหมือนกับไกรสอนราชสีมีการเดินอย่างงดงามทรงอย่างเหล่าสัตว์เป็นอันมากให้ยินดีสเสด็จเข้าถึงบ้านอันประเสริฐคือบ้านปาตลิคามเนี่ยนะบอกว่าถ้าผู้ที่แสดงธรรมนะบอกว่านี้เป็นเวลาที่จะสรนเสริญพระพุทธคุณเป็นการประกาศสรรเสริญพระชมหรือสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าสรนเสริญอะไรพระสรีระคุณกับพระ พุทธคุณทั้งหลายในเวลาอย่างนี้อาจจะสันเสริญเป็นคำร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้บ่างั น, น, นขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะกล่าวว่าพูดยากหรือว่าโอ้ยไปพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้พูดผิดท่าก็คือว่าไปเรื่อยก็ไม่ใช่บ่างั น, น, นจริงอยู่ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ย่อมไม่สามารถกล่าวคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้โดยสิ้นเชิง เพราะเมื่อพระองค์สันเสริญพระพุทธคุณอยู่ตลอดกับก็ไม่สามารถจะให้พระพุทธคุณสิ้นสุดลงได้จะป่วยกล่าวไปยิ่ถึงหมู่สัตว์นอกนี้เล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่ควรยกย่องควรสันเสริญมีความรู้ความสามารถเท่าใดที่จะสันเสริญพระพุทธคุณก็ขยันสันเสริญไปเถอะ น, นะทีคนผ่านเราก็พูดถึงได้ไม่เลิกไม่ราใช่ไหมเดี๋ยวก็คนนั้นทีคนนี้ทีจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งก็ว่าไปเรื่อย ได้อยู่เป็นวันวันคืนคื น, นี่นะก็ไม่ได้ว่ามีคุณธรรมอะไรเลยทุศีนกว่าปานนั้นเลวกว่าปานนั้นจะไปอบายกว่าปานนั้นขนาดนั้นก็ยังยกมาชมชมชมช ม, ชมอยู่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าดีขนาดนี้ทําไมจะชมไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็ให้เราทั้งหลายถ้ามีามีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อตรัสรู้ก็ต้องมันเพียรสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจของเราก็จะได้น้อมไปในธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เราก็จะได้ปฏิบัติตามพระองค์อย่าง มีความสุขไม่งั้นก็บอกโอ้ยทําตามยากทําตามยากไอ้ที่ยากก็คือมันยากตั้งแต่ใจแล้วเนี่ยนะเพราะใจคนยากนะเลยยากมันยากทางใจพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตกแต่งประดับด้วยพระเิริวิราชนี้เสด็จไปยังบ้านปาตลิขามอันหมู่ชนผู้มีจิตเลื่อมใสบูชาสักการะด้วยดอกไม้ของหอมทูปแล้วก็ผงสําหรับอบเป็นต้นพระองค์ก็เสด็จไปถึง อวสสถานาก็คือที่พักค้างแรมของหมู่บ้านบทว่าปาเทปักขาเลตวาความว่าถ้าแม้เปือกตมคือธุลีไม่เปลื้อนพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จริงถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงหวังความเจริญอย่างยิ่งแห่งกุศลของอุบาสกและอุบาสิกาเหล่านั้นจึงทรงล้างทรงให้ล้างพระบาท เพื่อให้ชนเหล่าอื่นถือเอาเป็นตัวอย่างนะก็ล้างพระบาทจริงๆแล้วเท้าพระองค์เนี่ยไม่เปื้อนฝุ่นถึงอย่างนั้นก็ล้างอยู่เพื่ออะไรเพื่อเจริญบุญเจริญกุศลของผู้ที่ประสงค์บุญหรือขึ้นชื่อว่าสรีระที่มีใจครองก็ต้องทําให้เย็นจริงนะคนที่ล้างเท้ากับคนที่ไม่ล้างเท้านี่ต่างกันเยอะบอกว่าผู้ที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญกรรมฐานนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมจะทําอะไรก็ตามเถอะถ้าล้างเท้าก่อนกับไม่ล้างเท้าก่อนเนี่ต่างกันเยอะ นะแม้กระทั่งคนที่จะนอนเนี่ยนะล้างเท้าให้สะอาดล้างให้เย็นก่อนนอนกับไม่ล้างเลยก็ต่างกันน ะ, ะสุขภาพจิตที่หลับก็แตกต่างกันนะถ้าถ้าใครที่สังเกตเนี่ยจะรู้นั้นในสมัยก่อนนี่เขาจึงนิยมล้างเทา้ายิ่งคนไทยโบราณเนี่ยจะมีอะไรนะน้ําล้างเท้าอยู่ทุกหัวบันไดบ้านใช่ไหมน้ำล้างเท้าจะมีทุกหัวบันไดบ้างทำไมนี้บอกอู้เฉะไปหมดอะไรเงี้ยทำใจไม่ได้ บทว่าพัควันตันเยวะปุรักขตวาได้แก่กระทาพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ในเบื้องหน้าในข้อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในถ้มกลางของภิกษุทั้งหลายและของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพราะอะไรเพราะพระองค์นั่งหยุดเสากลางใช่ไมทรงให้สงสนามด้วยน้ำหอมแล้วทำน้ำให้แห้งไปด้วยเสเยนผ้าแล้วทาให้แห้งด้วยชาติหิงคุย่อมไพรโรทยิ่งนัก เหมือนรูปเปรียบที่ด้วยทำเหมือนรูปเปรียบที่ทําด้วยแท่งทองสีแดงซึ่งประดิษฐานไว้บนต่างอันแวดล้อมไปด้วยผ้ากําพลแดง น, นะก็ไปเห็นภาพพระพุทธรูปที่ประดับตกแต่งอยู่ในโบสถ์หลายๆแห่งเห็นแล้วก็เลื่อมใสายแล้วนะเห็นแล้วใจก็พองสายใจก็โสมนัสเนขณะเราเห็นพระพุทธรูปทั้งหลายยิ่งวัดในกรุงเทพหลายสิบวัดด้วยกันที่มีพระพุทธรูปที่งดงาม น, นะำทำด้วยทองคําหรือปิดทองคํา แท้เลยเนี่ยนะแล้วก็ประดิษฐานมีการจัดอย่างงดงามเห็นเข้าไปแล้วหน้ากราบหน้าไหว้หน้าเลื่อมใสเมื่อใดนะเราจะเจริญศรัทธาด้วยการนั้นนะมีเวลาก็แทนที่จะไปที่อื่นๆก็ไปเอ่อไปกราบไปไหว้ไปสันเสริญไปตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณตามตามวัดต่างๆที่เขาเขาเปิดโบสถ์ให้ให้กราบเนี่ยนะงดงามจริงๆนะงดงามทั้งการประดับประดาตกแต่งนี่ขนาดว่าพระองค์ดับขันประนิพิพานไปนานขนาดนี้แล้ว หมู่มหาชนเทวดาและมนุษย์ยังคารพสักการะปานนี้ถ้าสมัยนั้นจะขนาดไหนเนาะเนี่ยนะก็ไปละเลิกถึงไปเจริญพุทธคุณหลายคนก็บอกห่วงมากกลัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมมัวแต่สรรเสริญพุทธคุณก็เสียเวลาปฏิบัติแย่เลยปฏิบัติอะไรเนะาะทำไมรู้คุณของพระพุทธเจ้าจะไปทําว่ายังไงไปทําอะไรเนี่ยนะถ้าขนาดว่าเจ้าของทำยังไม่รู้จักเขาบอกว่าเขาปฏิบัติธรรมแน่ใจหรือว่าธรรมที่เราปฏิบัติยังเป็นของพระพุทธเจ้าอยู่ มันถ้าเราไม่มีจิตใจน้อมไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่เราทําอาจจะเป็นของเราก็ได้ที่เป็นสูตรของเราเองพิเศษเนี่ยนะที่มีอยู่สูตรเดียวเนี่ยนะก็ทําไปแล้วเนี่ยนะก็อาจจะถึงที่คนละที่กับพระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยนะมันก็ต้องหมั่นระลึกว่ายังไงเราก็คงเป็นพระสาวเป็นสาวกนะอย่างดีเราก็ได้เป็นสาวกเป็นผู้ที่ประพฤติตามเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามถ้าจะรู้ก็ขอรู้ตามเห็นตาม นะถ้าไม่รู้ไม่เห็นตามเราก็ถือว่าเสื่อมหมดแล้วนยนะบอดสนิทแล้วยังไงก็ให้เป็นไปกับพระพุทธคุณเนี่ยนะถ้ารู้พระพุทธคุณอย่างเช่นอรหันตคุณเป็นต้นเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเจริญเนี่ยเป็นหนทางเพื่อความเป็นพระอรหันตอยู่หรือพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่เราทำอยู่ยังเป็นแนวทางของสาวกอยู่หรือสิ่งที่เราทำเนี่ยนะสอดคล้องกับหลักวิชาและจรณะอยู่หรือสิ่งที่เราทำเนี่ย เป็นเหตุให้เราไปสู่ที่ดีตามพระพุทธเจ้าได้จริงหรือเป็นต้นมั้นสิ่งที่เราทำตามสิ่งที่เราปฏิบัติตามถ้ามีการเจริญพร ะ, พ, ระพุทธคุณธรรมคุณเป็นต้นสิ่งที่เราปฏิบัติก็จะไม่ไม่ห่างไปจากความจริงแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราเนี่ยทอดทิ้งคุณของพระรัตนตรายแล้วมีใจที่มุ่งปฏิบัติอย่างเดียว ก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ปฏิบัตินะแต่ว่าปฏิบัติของใครปฏิบัติให้เป็นอะไรปฏิบัติอย่างไรเจริญแค่ไหนหรือว่าปฏิบัติแล้วจบที่ไหนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมันก็สุดแท้อย่างไรอย่างไรก็ต้องตั้งอัธยาศาัยตั้งอุปนิศัยให้แม่นให้ให้ดีเลยตั้งอัทยาศายน้อมไปไหนควรตั้งอัทยาศัยอนุวตตาม พระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นอัธยาศัยที่ควรเจริญผู้ใดก็ตามที่มีอัธยาศัยน้อมไปตามพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าคนมีสารณะคนมีเกาะคนมีที่พึ่งแต่ถ้าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่มีสารณะเลยโบราณบัณฑิต ท, ทั้งหลายท่านกล่าวเป็นคาถาฉันทลักษ์ประพันธ์สันเสริมพระพุทธเจ้าว่าพระโลกกนาาเจ้า โลกกันนาก็คือพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายผู้เลิศกว่าชาวโลกเนี่ยนะผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลกแล้วก็เป็นผู้เลิศที่สุดในโลกสเสด็จไปดุดพญาช้างเยื้องกลสเสด็จไปยังโรงกลมให้สว่างสวัยประทับนั่งบนบรวรพุทธาฏนะอาสนะาะที่ประดับประดาตกแต่งดีเยี่ยมหนใครที่ได้ทำที่ประทับนั่งเป็นพุทธบูชาเนะนีสองสโสมนัสเลยเนาะ พระองค์นี้เป็นดุลนายสารถีผู้ฝึกนรชนน่ยนะฝึกให้ได้รับประโยชน์พระพุทธเจ้าฝึกคนที่จิตใจคดให้มีจิตใจตรงจิตใจที่กำพรา้าไม่มีสาระก็ให้มีสาระจิตใจที่ไม่มีคุณธรรมคือศีลเป็นต้นก็ฝึกให้มีศีลเนี่ยนะเขาไม่อบรมสมถาวิปัสนาพระองค์ก็สอนให้เจริญสมถะและวิปัสนาทั้งหลา ย, ยานะคนที่ไม่เจปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งพระองค์ก็แนะนําให้ บรรลุมรรคผลนิพพานมันพระองค์จึงชื่อว่าเป็นนายสารถีผู้ฝึกนรชนเป็นผู้ฝึกผู้ที่สมควรฝึกไม่ว่าจะเป็นฝึกที่ละมุนละม่อมหรือว่ารุนแรงหรือควบคู่กันไปเนี่ยนะพระองค์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพคือเป็นผู้ที่เทพทั้งหลายบูชาสมมุติเทพทั้งหลายมีเทวพระราชามหากษัตริย์ก็บูชาพระพุทธเจ้า อุปติเทพคือเหล่าเทวดาทั้งหลายก็บูชาพระพุทธเจ้าวิสุทธิเทพคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็บูชาพระพุทธเจ้าผู้มีบุ ญ, ญลักษณ์กําหนดด้วยร้อยพระองค์ประทับนั่งบนบรวรผู้ท่าอัศเหล่านั้นเพราะว่าเทวดาก็ลงมาเชื่นชมพรองก็ลงมาสรรเสริญเป็นต้ตนนั้นพระองค์นี้ภัยโรดอยู่ในถ้ำกลางพุทธอัศรเหมือนแท่งทองคํำงดงามอยู่ในผ้ากําพลสีเหลืองเช่นนั้นตอนนี้ก็คงได้แต่ดูภาพพระประธานที่งดงามตาม บทต่างๆนะเพื่อยังจิตให้เลื่อมใสพระองค์ผู้ปราศจากมนทินคือเครื่องเศร้าหมองย่อมไพรโรดเหมือนแท่งทองชมพูนุชที่เขาวางไว้บนผ้ากำพลเหลืองเหมือนแก้วมณีที่งดงามฉะนั้นพระองค์ให้ทรงไพรโรดงามสพรั่งกว่าสิ่งทั้งปวงเหมือนต้นสาละใหญ่มีดอกบานสพรั่งอันประดับด้วยพญาไมา้คล้ายปราสาททองคําเหมือนดอกปทุมโกกนุช เหมือนต้นไม้ที่ประดับด้วยประทีปโพลงอยู่เหมือนไฟบนยอดเขาเหมือนต้นปริชัตดของเทวดาเั้งนั้นสรีระทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดจากพระองค์เคยได้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเอาไว้ในอดีตเนื่องจากพระองค์ได้บูชาจักปูชนียานางพระองค์จึงได้พุทธสรีระเป็นต้นที่งดงามอย่างนี้อันผู้ใดปรารถนาความงดงามเหล่านี้ก็ต้องหมั่นเจริญกุศลที่เป็นเหตุให้ได้รับความงดงามหรือว่าไม่อยากงามละ แปลงว่าไม่อยากงามไปอย่างนั้นเลยเนี่ยนะไปสมัครงานเ้าไล่ออกเมื่ประตูบ้านจะรู้สึกนนะบทว่าปาตาลิคามิเกอุปาสเกออามันเตสิความว่าเพราะเหตุที่อุบาศกอุบาสิกาเหล่านั้นโดยมากเป็นคนตั้งอยู่ในศีลชาวบ้านนี้เขาศีลดีบ้านปาตาลิคามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพื่อจะประกาศโทษแห่งศีลแล้วิบัติเป็นอันดับแรกก่อน ภายหลังจึงแสดงอนิสง์แห่งศีลสมบัติพระองค์ก็เรียกมาเพื่อแสดงธรรมมาดูข้อความที่เป็นพุ ท, พทธพจน์ที่พระองค์แสดงธรรมในเรื่องของศีลทั้งหลายในข้อหนึ่ง้เจสิบหน้าเจ็ด้ยห้าลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ก, กะอุบาศกชาวปาตลิคามว่าดูก่อนครือหาบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลและวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลหประการ วิบัตศีลวิบัติก็คือผิดศีลน่ยนะของผู้ทุศีลคนไม่มีศีลแล้วไปพลาดทุศีลอีกนะไปล่วงละเมิดผิดศีลเนี่ยนะมีอยู่หประการถ้าผิดศีลนะัมีโทษห้าประการห้าประการเป็นไนะบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภคะใหญ่เพราะความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลประการที่หนึ่ง ประการที่หนึ่งอย่างที่บอกว่าทุตสีโลผู้ไร้ศีลสีแล้วิปันโนผู้มีศีลวิบัติผู้ทำลายสีและสังวรเนี่ยนะคำว่าผู้ไม่มีศีลผู้ไม่มีศีลนี่มีอยู่สองอย่างด้วยกันสองอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งไม่สมท า, านเลยนะไม่สมท า, านศีลคนไม่สมท า, านศีลก็ชื่อว่าไม่มีศีลนะอย่างที่สองก็บอกว่าไอ้ที่สมาทานแล้วก็มาทาลายชืกระจายหมดเลย เนี่ยนะลักษณะนั้นก็เรียกว่าทุศีลหรือคนไม่มีศีลทุศีลเนี่ย น, นะทุศีลก็เพราะไม่สมาทานศีลก็เรียกว่าคนไม่มีศีลเพราะไม่ตั้งใจจะรักษาสมาทานนี่แปลว่าการถือเอานะการถือเอาศีลที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะปกปักรักษาถ้าไม่ถือก็ไม่เรียกว่ามีศีลบางคนก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆก็บอกเขามีศีลไม่ไม่คิดจะสมาทานด้วยก็แปลคําว่าปกติไง เนี่ยปกติไม่ได้ทำอ่าปกติไม่ได้ไปผิดไม่ไม่ได้ไปผิดอะไรไม่ได้ไปลักไม่ได้ไปขโมยก็เราเป็นผู้มีศีลเนี่ยศีลข้อไหนศีลมีราคาประกอบไหมไม่มีมีโทสะประกอบไหมไม่มีมีโมหะประกอบไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นศีลขณะเดียวกันศีลมีอะไรเป็นอรรมะณปัจจัยของศีลปาณาติบาตมีอะไรเป็นอารมณ์อธินาทานมีอะไรเป็นอารมณ์การเมสุมิชฌาจารมีอะไรเป็นอารมณ์มุสาวาตมีอะไรเป็นอารมณ์ สุรามีอะไรมีอะไรเป็นอารมณ์เป็นต้นเขาก็แบ่งศีลโดยอารมณ์โดยมูลโดยเวทนาโดยโกถาสะโดยธรรมที่ที่ประกอบเป็นต้นถ้าไม่มีการสมาทานไม่มีการตั้งใจเป็นต้นกุศลศีลจะเกิดได้หรือก็เกิดไม่ได้เพราะการสมาทานเนี่ยเป็นสําคัญเป็นเหตุให้เกิดศีลขณะเดียวกันเนี่ยศีลที่สมาทานก็รักษาก็ไม่ให้ขาดกระจายส่วนผู้ที่ไม่สมาทานศีลหรือที่เคยสมาทานแล้วก็กระจายไปหมดแล้ว อย่างนี้ก็เรียกว่าข้อคนที่ไม่มีศีลก็บอกว่าในสองอย่างเนี่ยนะสองอย่างนั้นอ่ะการไม่สมทานเนี่ยจะเรียกว่าจะว่าไม่มีโทษก็ได้นะเร่าไม่มีโทษมากแต่ว่าไอ้ข้อสองเนี่ยสมทานแล้วไปทำให้ขาดเนี่ยนี่มีโทษมากถ้าอยู่โดยปกติไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ทุ่ศีลไม่ผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้มีโทษอะไร แต่เพราะว่าไปล่วงละเมิดคนสมาทานหรือไม่สมาทานก็ตามถ้าล่วงละเมิดเมื่อไหร่เช่นฆ่าเมื่อใดลักเมื่อใดผิดกาเมเมื่อใดมูสาวาฏเมือ่อใดดื่มสุราเมรยัยเป็นต้นเมื่อใดเมื่อนั้นก็ถือว่ามีโทษที่ร้ายแรงเพื่อจะแสดงโทษของความเป็นผู้ไม่มีศีละนะคนที่ศี ล, ลวิบัติเขาบอกว่าข้อแรกคืออะไรนะผู้ที่มีศีลวิบัติคนทุศีลย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภคะ กองใหญ่เพราะความประมาทเป็นเหตุบทว่าประมาทาที่กระนังก็มีความประมาทเป็นเหตุขเรือ ห, หัดถ้าคเรืหัดทุศีลเป็นยังไงถ้าคเรืหัดทุศีนเนี่ยเสื่อมทรัพย์อย่างไรบอกว่าครืหัดเลี้ยงชีพด้วยความหมั่นต่อการศึกษาใดไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมพาณิชยกรรมโครักรรมเนี่ยนะทำกสิกรรม ท, ทําไร่ไถนาทำสวนเป็นต้นหรือพาณิชยกรรมค้าขายโครกกรรมเลี้ยงปศุสัตว์เป็นต้น ถ้าเป็นผู้ประมาทเกิดไปทําปาณาติบาตขึ้นไม่สามารถจะยังความหมั่นในศิลปะนั้นให้สำเร็จได้ตามกาละอันสมควรเมื่อเป็นเช่นนี้งานของเขาก็จะพินาศไปเมื่อเขาทําปาณาติบาตเป็นต้นนั้นในเวลาที่เขาอาฆาตย่อมถึงความเสื่อมจากโภคะใหญ่ด้วยอำนาจอาทยาสมมติถ้าเป็นกลุ่มคาระวะาทั้งหลายที่สมมติว่า ทำกสิกรรมทำไร่ไถนาก็ไปฆ่าคนไร่ข้างๆนี่อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะหรือไม่ก็ไปโคดไปโกงกันทะเลาะกันเรื่องที่ดินเนี่ยนะไปโคดไปโกงกันหรือไปผิดกาเ ม, มคนบ้านข้างเรือนเคียงอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดเลยมันสรุปว่าถ้ายิ่งทุสีแล้วเนี่ยไอ้ทรัพย์ที่มีอยู่ก็ยิ่งยิ่งหมดไปไอ้ยิ่งที่หาไม่ได้ก็ยิ่งหาไม่ได้ไอ้ที่หามาได้แล้วก็ยิ่งมีแต่หมดไปถูกฟ้องถูกร้องถูกอะไรเรีวยกว่าลงอาทยาเนี่ยนะพราชาเป็นต้นก็ลง อาจยามีการปรับสินไหมก็เนื่องจากความทุศีนพันธการทุศีลเนี่ยนะทรัพย์ที่เคยมีอยู่ก็ไม่มีไอ้ที่ยังไม่มีก็ยิ่งหาไม่ได้พันธุ์การผิดศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์ไว้ได้พันธุ์เขาเรียกว่าเสื่อมจากโภคะกองใหญ่สังเกตดูว่าคนที่เกิดมาในโลกที่เสื่อมจากโภคะเราก็เห็นว่าเกิดจากความทุศีลถ้าเขาไม่ทุศีลเป็นต้นเนี่ยทรัพย์เหล่านั้นเขาจะเสื่อมไหมก็ไม่จะเนื่องจากเขาทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะ แต่ยิ่งแบบอะไรนะเลือกสวนไร่นาที่ทําเลค้าขายเป็นต้นก็ม้วนเอาลงคอใส่คอขวดได้หมดเลยอย่างนี้นะมันก็ม้วนมวลงใส่คอขวดม้วนม้ว น, นลงส่งไปให้ยิ่งคนที่ผิดกาเม่ด้วยเป็นต้นเนี่ยนะทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่นานก็พลายสัเกเลี้ยงหมดแหละมั้นทุ่งสินเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเหตุให้เกิดความประมาทเมื่อเป็นเหตุให้เกิดความประมาทพ่อทรัพย์ที่มีอยู่ก็ถึงความหมดย่อยยับไปไม่เหลืออันนี้ของคารวะนะ ถ้าพระภิกษุบรนประชิตผู้ทูศีลเป็นต้นจะเป็นอย่างไรถ้าพระพิกสุเสื่อมจากศีลก็เสื่อมจากอริยทรัพย์ก่อนใช่ไหมเสื่อมจากอริยทรัพย์คือศีลเสื่อมจากพระพุทธพจน์ทั้งหลายถ้าทูศีลเนี่ยไม่รู้จะอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างมีความสุขยังไงเพราะอ่านเมื่อไหร่ก็พระองค์ก็ว่าแต่เราว่าแต่เราก็เราทูศีลเนี่ยนะท่านก็เสื่อมจากพุทธพจน์ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะอ่านไม่อยากจะท่องจําไม่อยากจะสาธยายสาธยายเมื่อไหร่ก็บอกว่าทู่ศีลไม่ดีก็เราทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นก็เสื่อมจากคุณธรรมคือศีลเสื่อมจากคุณธรรมคือพุทธพจน์ฌานทั้งหลายเนี่ยนะพุทธานุสติอนุสติทั้งหลายก็เสื่อมหมดเลยนะสมถาวิปัสสนาก็เสื่อมไปหมดเสื่อมจากศรัทธาเสื่อมจากศีลเสื่อมจากยีริโอตปะเสื่อมจากวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็เพราะความประมาทเป็นเหตุดังนั้นความทุศีลเนี่ยนะเป็นเหตุให้เสื่อมทั้งโภพกับทรัพย์เป็นเหตุให้เสื่อมทั้งอริยทรัพย์เนี่ยนะอริยทรัพย์ก็เสื่อมเสียแล้วก็เพราะความทุศีลเป็นเหตุ ข้อแรกนะข้อสอีกประการหนึ่งกิติศัพท์อันลามมกกิติศัพท์แปล ว, ว่าชื่อเสียงที่เลวร้ายเนี่ยนะของบุคคลผู้ทุศีลมีศีนวิบัติย่อมขจรไปแล้วนี้เป็นโทษแห่งศีลวิบัติของผู้ทุศีลประการที่สองข้อที่2องเห็นไข้อแรกเสื่อมทรัพย์ข้อ2ชื่อเสีย น, น, นะชื่อเสียกระจายคระครุ่งไปหมดก็แปลว่าโชยกลิ่นเหม็นกระจายไปหมดเลยอย่างเช่นชื่อเสียงที่เลวร้ายของของขรั่งหัด ฟุ้งะจรไปในท่ามกลางบริษัทว่าครหัตชื่อโน้นเกิดในสกุลโน้นเป็นคนทุศีลผู้มีธรรมะอันลามกสมัยนี้ยิ่งหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวแพียงเดียวเนี่ยนะกระจายทั่วไปหมดถ้าเป็นสมัยก่อนค่อยๆกระจายถ้าสมัยนี้ก็อู้กระจายแพียงเดียวเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเสียหายเป็นผู้สละทั้งโลกนี้และโลกหน้าเขาก็บอกว่าคนที่ทุศีลเนี่ยประโยชน์ในโลกนี้ก็ทําลายแล้วขณะเดียวกันประโยชน์ในโลกหน้าเขาก็ทําลายแล้ว เพราะเขาเป็นผู้ไม่ให้ทานแม้แต่วัตถุเพียงสลากกระพัดเป็นต้นนันคนที่ทุศีลเนี่ยนะคารวะที่ทุศีลเนี่ยก็มีชื่อเสียงที่เสียหายในแวดวงของผู้มีศีลเนี่ยนะประวัติเสียหายหมดเลยแล้วก็เมื่อไรที่เขาจะยกข้อตัวอย่างเปรียบเทียบเลวเขาก็จะยกเอาคนทุศีลนี่แหละขึ้นมามั้นคนทูศีลเนี่ยเขาบอกว่ า, าได้ฟังคําที่คนอื่นเขาพูดถึงตัวเองก็หนักใจตลอดเนี่ยนะนั้นคนทูศีลเนี่ยนะ ชื่อเสียงเนี่ยเสียตลอดเวลาส่วนชื่อเสียงที่เป็น เ, เสียงชื่อเสียงเสียหายของบรรปะชิตที่ทูศีลก็ฟุ้งไปอย่างนี้ว่าบรรปะชิตชื่อโน้นบวชในพระศาสนาของพระศาสดา ก, ก็ไม่อาจเพื่อจะรักษาศีลเอาไว้ได้นะบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเห็นปานี้ศีลก็ยังไม่มีเมื่อไม่มีศีลก็ไม่อาจเพื่อจะเรียนพระพุทธพจน์ ตั้งมั่นอยู่ในประกอบในอคาระวะหประการอัคาระวะก็คือไม่เคารพในพระพุทธไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในสิกขาไม่เคารพในปฏิสันทานไม่เคารพในความไม่ประมาทไม่เคารพในสมาธิก็กลายเป็นผู้ที่มากไปด้วยอคาระวะเพมันว่านคนนั้นโอ้ดูที่เขาพระพุทธเจา้าเขายังไม่เคารพเลยพระธรรมคำําสอนเขาจะเคารพได้อย่างไรใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนากรรมมีเวชกรรมเป็นต้นแทนที่จะ ประพฤติปฏิบัติตามทำรรวินัยก็กลายเป็นเป็นอะไรเป็นหมอเวชกรรมนี่เขาเรียกว่ากรรมของหมอเนี่ยนะก็กลายไปว่ากลายมาเป็นหมอรักษาโรคให้คนอื่นเข้าไปอะไรไปบวชที่แรกทําท่าจะปริณิพานบวชไปบวชมากลายเป็นว่าไม่เอาแล้วนะามาทํากิจ ข, ของของคารวาสไปนะรับจ้างเลี้ยงเด็กเป็นต้นรับจ้างดูแลคนไข้ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมาประพฤติปฏิบัติตา ม, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็กลายไปเป็นเรื่องอื่น มันชื่อเสียงเหล่านี้ก็ถือว่าเสียหายแต่สมัยใหม่นี่ก็ชมนะสมัยใหม่นี่นะถ้าหากว่าพระพิสูจน์ที่ประพฤติอเนสนากรรมเนี่ยนะโอ้ยเป็นที่ยอมรับของสังคมเนี่ยนะสังคมในละคนสังคมก็จะช่วยกันบริจาคให้ด้วยนะนะช่วยบริจาคในฐานะท่นช่วยเลี้ยงเด็กในฐานะท่นช่วยดูแลคนป่วยว่างั้นนะขอทุนขอรอนได้อะไรได้ ก็ก็สมัยนี้ก็ถือว่าเป็นสมัยที่เคารพคนทุศีลเนี่ยนะถือเอาคนทุศีนเป็นเป็นที่เชิดหน้าชูตาเอาผู้ทุศีลเนี่ยเป็นที่ยอมรับบทว่าอาวิสถาโรเนี่ยนะข้อที่สนะบอกว่าอีกประการหนึ่งบุคคลผู้ทุศีนมีศีลลวิบัติเข้าไปหาบริษัทใดคนทุศีนเนี่ยนะเข้าไปหา คติยบริษัทพรา์บริษัทเครือบดีบริษัทสมณบบริษัทย่อมไม่แ ก, กล้ากล้าเกอเขินเข้าไปหาอันนี้ก็เป็นโทษแห่งความทุศีนของบุคคลผู้ศีนวิบัติประการที่สามาคำว่าอาวิสาทโทเนี่ยนะก็คืออันดับแรกคารวาดผู้ทุศีนเป็นผู้ที่มีภัยหลีกเลี่ยงไม่ได้คือหมายาว่าจาเป็นจะต้องเข้าในที่ประชุมชนในที่ชุมนุมชน คนทูตศีลเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็คิดในใจตลอดว่าใครใครจะรู้ความชั่วของเรานะกลัวตัวนึงใครรู้บ้างนะว่าเราไปทาผิดทำพลาดอะไรมาเขานินทาเราหรือเปล่านะหรือพวก น, นี้มันจะข่มเราหรือเปล่าเนี่ยเขารู้นะก็เลยจะต้องไปชี้แจงแกราชสกุลเป็นผู้เก้อเขินคอตกนั่งก้มหน้าไม่กล้าพูดงันนั้น เ, าเร า, าคนทูตศีลดยมากในในแวดวงของของ ทั่วๆไปเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่คอตกเก้อเขินเนี่ยนะไม่มีความแกล้วกล้ า, ลามีแต่ความขั้นครามจิตใจไม่เป็นปกติเลยมันเวลาเข้าสู่ที่ประชุมเนี่ยน ะ, ะผู้ที่ทุสีนทั้งหลายมันก็เหมือนกับอะไรนะอย่างคนที่ทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยนะอยู่ที่ไหนก็หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจไม่ปกติสุข อันนี้ก็ถือว่าเป็นความไม่แกล้วกล้าไม่องอาจไม่สงาผาเผยถึงภายนอกจะดูดีแต่ว่าจิตใจยังไงก็ต้องวันไว้อยู่ตลอดเวลาไม่แกล้วกล้าบรรพชิตผู้ทูศีลก็ลักษณะเดียวกันเนนะเป็นผู้มีภัยหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาที่จะเข้าไปหาภิกษุที่ประชุมกันด้วยคิดว่าบรรพชิตรูปหนึ่งจักรู้ความชั่วของเราแน่กลัวกลั ว, ลวพระพิสุรูปอื่นจะรู้จัก ความชั่วร้ายของเราเมื่อเป็นเช่นนี้พิสูจนทั้งหลายก็จะเว้นอุโบสถหนีไม่ยอมเข้าโรงอุโบสถง่ายๆเนี่ยนะเพราะวันอุโบสถก็มีธุระทุกทีเวลาปวารณา ก, ก, ก็ก็ไม่อยากเข้าในที่ประชุมหรือเข้าไปใจก็หวาดระแวงเนี่ยนะเขาจะโจทอับัติเราทํากลางสงหรือเปล่านะเขาจะฉุดเราออกจากสภาสง์หรือเปล่าหรือเขาจะฉุดฆ่าให้เราออกจากความเป็นสมณะเขาจะจับเราสึกไหมนี่ ก็เป็นผู้ไม่แกล้งกล้าแล้วก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้หรือบางบางคนก็วางอํานาจบาดใหญ่ไปทั้งนั้นเนี่แต่ใจจริงๆก็หวันไว้จิตใจไม่เป็นปกติอันนี้ก็เป็นโทษของความทุศีลศีลไม่ดีแต่บางคนที่เป็นคนทุศีลก็ทําตัวเหมือนกับคนทุศีลคนทุศีนนั้นย่อมเป็นผู้เก้อเขินโดยอัธยาศัยเหมือนกันจริงๆแล้วนะภายในลึกๆก็ยังมีสามัญญาสํานึกรู้ว่าตัวเองนั้น ผิดอยู่ฉะนั้นคนถึงจะดูภายนอกจะเก่งกลาดขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ถ้าทุศมสินมาแล้วเนี่ยนะจิตใจจะมีความสุขไหมใจก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงไอ้คำว่าหวาดระแวงนี่แหละที่เราทําให้ไม่แกล้ากระเขินระแวงตลอดแคนอื่นเขาจะรู้จักความเลวของเราไหมถ้าเขารู้จักความเลวของเราแล้วเขาจะทำยังไงเนาะเขาจะโจดเราไหม น, นะเขาจะไปโพลท น, นาหรือเปล่าเห็นคนอื่นเขาคุยกันก็เออเอาเรื่องของเราไปคุยหรือเปล่า เอาความเลวของเราไปประจานในสาธารณชนไหมจิตใจก็เลยเก้อเขินอยู่ตลอดเวลาเป็นกลุ่มคนที่ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงวัตถุศีลเนี่ย เ, เป็นชีวิตที่หวาดระแวงเก้อเขินก็คือหวาดระแวงขณะเดียวกันข้อต่อไปคนผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมเป็นผู้หลงไหลทํากาละหลงตายก็คือเรียกว่าตายด้วยความลุ่มหลงทํากาละอันนี้ก็เป็นโทษของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล คำว่าสัมมุนโโหกาลังกรโรติเรียกว่าตายด้วยความลุ่มหลงคือบุคคลผู้ทุศีลเนี่ยนะเวลานอนอยู่บนเตียงเป็นที่ตายฐานะที่ตนเนี่ยสมาทานทํากรรมชั่วคือความเป็นผู้ทุศีลย่อมปรากฏเขาลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าอบายสี่ย่อมปรากฏแก่เขาตามสมควรแก่กรรมเป็นผู้ถูกทิ่มแทงเหมือนอะไรนะเหมือนถูกหอกทิ่มแทงเป็นร้อยเล่มเหมือนกับถูกลวกด้วยไฟ เขาก็พลางร้องครวญครางว่าข อ, อขอเธอขอทีเธอจนตายอันนี้เขาเรียกว่าหลงทากาละนึกถึงแต่ความชั่วเขาจะระลึกถึงกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เขาเคยทำมาในอดีตซึ่งเต็มไปด้วยความชั่วและระลึกถึงะนะก็อย่างที่ว่าคน คนที่โดยปกติทั่ ว, วไปเนี่ยตายก็ถ้าไม่อุบัติเหตุก็ตายแบบอายุมากะนะถ้าตายอายุมากแล้วทบทวนประวัติของตัวเองเนี่ยนะเวลาป่วยเนี่ยนะคนจะทบทวนชีวิตของตัวเองได้มากพอสมควรใช่ไหมยามป่วยยามไข่ทีนี้ทบทวนเมื่อไหร่หาบุญไม่เจอเลยเนี่ยแม้แล้วรู้ว่าตัวจะต้องตายด้วยนี่จะทํำยังไงก็เดือดร้อนนะขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยฝันว่าเขามาห้อมมาล้อมาอมารุมมาทึ้งอั น, นะห หลายๆคนเนี่ยเริ่มเป็นอย่างนั้นนะเวลาเหมือนกับว่าหลับตาปั๊บเหมือนกับว่าใครเนี่ยจะมาตามเอาไปแล้วเหมือนกับคนมาฉุดเราจะไปดีไม่นาะอะไรไม่เนาะพราะฉะั้นคนที่ศีลไม่ดีเนี่ยนะหวาดระแวงยามจะตายนี่หวาดระแวงมากนะยิ่งๆเต็มไปจิตใจก็หวาดระแวงกลัวจะไปยังไงเนาความดีก็ไม่เคยทำมาความชั่วก็ทำไม่มากมายเนี่ยชาติน่าจะเป็นอย่างไรเนะถึงใจจะแหมเหี้ยมขนาดไหนก็ช่างเถอะ ยามที่จะจากจริงๆก็ก็อย่างว่านะไม่ได้ทำคุณงามความดีมาไม่ได้เจริญกุศลมาจะไปไหนหนอส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยนะของโทษของความทุศีลอีกประการหนึ่งบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลประการที่ห้า กายะสะเพทาปร ม, มรณาเนี่ยนะกายะสะเพทาก็คือสละอุปาทินขันวิบากและกรรมชรูปแตกทําลายนะกรรมชรูปทั้งหลายคือตาก็เสียหูก็เสื่อมจมูกก็เสียนะนะชีวิตตินทรีย์เหล่านี้ก็แตกทําลายหมดนะจุติจิตก็ทํากิจปรามมรณาเนี่ยนะหมายเอาขันที่บังเกิดขึ้นต่อไปในลําดับหมายคขาว่าจุติ วิบากกรรมมชรูปที่เป็นผลของกรรมอันนี้ดับไปวิบากกรรมมชรูปก็เกิดในพบใหม่หลังการะว่าหลังจากชีวิตตินสีแตกทำลายก็ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกนรกบางทีก็ชื่อว่าอาบายเพราะไม่มีความเจริญเลยคือไม่มีความเจริญคือบุญที่เป็นเหตุให้ไปสวรรค์และนิพพาน นั้นถ้าเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตได้เจริญกุศลไปเพื่อสู่สุขติโลกสวรรค์ไหมถ้าไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนารกเนี่ยจะได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อนิพพานไหมมันถ้าตกไปสู่อบายคือนรกเนี่ยอบายเนี่ยแปลว่าเสื่อมโดยส่วนเดียวอปายะแปลว่าเสื่อมออาปายะก็คือเสื่อมถ้าเสื่อมอย่างนี้เนี่ยเสื่อมจากวิบากกรร ม, มชรูปปฏิสนธิก็ปฏิสนธิด้วยอหิสุกัดปฏิสนธิ อยู่ณนะที่นั้นก็ไม่สามารถจะเจริญกุศลอะไรได้กุศลที่เป็นเหตุแห่งสวรรค์ก็ถูกทำลายไปกุศลที่เป็นเหตุแห่งพระนิพพานก็เสียหายไปไม่มีความเจริญเลยนะไม่มีความเจริญนร่างกายของสัตว์นรกเจริญไหมนะคาว่าเจริญก็คือมีความสุขนะเขาบอกว่าสัตว์นรกนะถึงจะมีอุเบกขาอุเบกขาเวทนาอยู่บ้างแต่แม้อโภโรหาริกเหลือเกินสมมติถ้าเราเอา เกลือเอ่อเอาแก้วน้ำสายๆเนี่ยเอาแก้วเอาแก้วใสายน้ำสายมาเนี่ยนะครึ่งแก้วเทเกลือไปจนเต็มเนี่ยนะแล้วคนให้มันเข้ากันหมดเนี่ยนะถามว่าในนั้นมีน้ําจืดอยู่ไหมมีแต่ว่ารถจืดไม่เหลือเลยมีแต่รสเค็มฉันใดอนะฉันใดก็ดีถ้าอยู่ในนรกเนี่ยก็มากไปด้วยความทุกเนี่ยนะมากไปด้วยความทุกมีแต่เจ็บมีแต่ปวดมีแต่พันไปอบายแล้วก็เสื่อมอย่างนั้นนหะนะ ถ้าเบื้องหน้าแตกกายตากายแตกไปก็เข้าไปสู่อบายทุกขติวินิบาณนรกแล้วก็ชื่อว่าทุกขติก็คือเป็นที่พำนักอาศัยแห่งความทุกข์เนี่ยนะทุกข์ทั้งหลายก็ประดังเข้ามาหมดเคยเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานได้รับคําสงสารไหมได้รับกรุณาคนใจบุญเท่านั้นแหละที่จะ ก, การุณาแต่ถ้าโดยรวมๆเนี่ยนะอย่างสมมุติถ้าเราไปเกิดเป็นยุงเนี่ยนะเขาเขียนป้ายสั่งข้าไว้ตลอดทางเลยนะ เห็สังเกตไหมอ๋โอโปรดช่วยกันกําจัดยุงลายเหมือนกันถูกฆ่าตลอดเนี่ยนะแล้วก็การสันเสริญฆ่าสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะไม่ผิดกฎหมายด้วยนะทุกคนเขาชมเชยช่วยกันกําจัดแมลงสาบกําจัดหนูกําจัดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเฮยพวกนี้นี่เขายิ่งอะไรนะเขาได้รับการเชียร์ยกย่องสันเสริญมากมายเมันถ้าหากว่าไปสู่ตรงนั้นเนี่ยนะหมายความว่าถ้าเขากําจัดเราได้เป็นความเจริญใช่ไหม ถ้าเราไหลไปสู่อาบายทุกติวินิบาดนารกเนี่ยนะยากอย่างวันก่อนเนี่ยดูไอ้แมลงสาบที่เอาเข้าเตาเผาเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไปเป็นสัตว์ในอาบายแล้วก็ยากที่จะรอดมันกรรมชั่วที่เคยทําไว้ในอดีตเนี่ยนะกรรมชั่วเหล่านั้นก็ตามล้างตามผลานตามเข็นตามฆ่าตามแช่งตามชักตามประหัตประหารอยู่นั่นแหละมันโทษแห่งความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายบางทีเขาบอกว่าทุกขติหมายก็ว่าภูมิที่เกิดด้วย เพราะอะไรกรรมชั่วที่ทํามาจากโทสะกรรมที่ทําด้วยโทสะก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายก็ตกระกรรมลําบากวินิบาตเพราะเป็นที่ปราศจากอํานาจตกไปของบุคคลผู้กระทํากรรมชั่วอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวินิบาตเพราะเป็นที่ตกไปของบุคคลผู้มีอวัยวะน้อยใหญ่แตกอยู่ใ น, นร่างกายก็มีแต่แตกใช่ไหมเขาบอกว่าพวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะ ร่างกายทั้งหลายเนี่ยได้รับแต่การเชือดการเฉือนไม่ต้องแบบในนโลกรลกดูแต่พวกเดรชานทั้งหลายนะเนี่ยนะถูกเชือดถูกเฉือนถูกประหัดถูกประหารถูกเข็นถูกฆ่าถูกน็อกถูกหรือสารพัดอย่างที่ที่ในโลกของเดรฉานแต่เนื่องจากมันอายุสั้นและพวกนี้ไม่ได้เกิดด้วยผลบุญเขาจึงเฉยเฉยพันอบายถ้าเดรฉานตายสักวันหนึ่งสักห้าล้านล้านตัวเขาก็เฉยเฉยนะอย่างวันนี้สักอย่างวันนี้เนี่ยยุงตายเท่าไหร่อออ เขาก็เฉยเฉยนะแต่ถ้ามนุษย์ตายคนเดียวเนี่ยข่าวใหญ่โตเพราะเป็นผลของสุขคติถ้าผลสุขคติเนี่ยมันจะโอมันจะมีอำนาจยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าผลของอบายเนี่ยวันนี้ไก่เชือดถูกเชือดไปเท่าไหร่หมูถูกเชือดไปเท่าไหร่วัวควายเป็นต้นถูกเชือดไปเท่าไหร่เนื่องจากสัตว์อบายเขาก็ฟังแล้วก็เฉยเฉยกันทั้นผลของกรรมทําให้ไม่ได้รับความกรุณาเลยควรที่จะ ก, กรุณาเปล่าเขดีใจนะเออตายซะไหนก็ดีนะว่าถ้าพวกสัตว์เดรัจฉานตายเนี่ยก็ เ, เป็นอย่างนั้น นี่ถ้านีเดราชาณนะท่านนรกมันจะขนาดไหนใช่ไหมถ้าถ้าในานรกจะขนาดไหนมันก็อย่างนี้แหละวตะเนี่ยนะมันอย่าทุศีลเลยบดีเชื่อว่าเนรยะเพราะไม่มีความเจริญเนี่ยนะท่านนรกแนละ้วไม่ต้องเจริญกันแล้วเนี่ยนะไม่ต้องเจริญตาเจริญหูเจริญใจเขาบอกว่าพวกนายนิรยาบาลเนี่ยไม่ได้มีเมตตาต่อสัตว์นรกเหมือนพรานล่าสัตว์ไม่มีใจกรุณาต่อสัตว์ฉะ น, นั้น น, นะมีแต่ว่าดีใจเหลือเกินจะ ถ้าไปหาปลาเนี่ยนะไม่มีใจบอโอ้สงสารไอตัวนี้ปลาเล็กปลาน้อยสงสารมันเถอะไม่จะไร้กรุณาฉันใดถ้าไหลไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วก็ในหมู่สัตว์นรกทั้งหลายไม่มีความไม่มีเมตตาต่อกันและกันเลยอย่างเดราชานทั้งหลายก็มองกันเป็นเหยื่อของกันและกันจะไม่ได้มีกรุณาต่อกันและกันเลย อีกอย่างหนึ่งด้วยอบายสับเนี่ยหมายค่ะว่าเกิดในกาเนิดสัตว์เดรชานกําเนิดสัตว์เดรชานชื่อว่าอบายเพราะปราศจากภูมิเป็นที่ไปดีแล้วก็ไม่จะไม่จัดเป็นทุคติเพราะเป็นที่เกิดของพญานาคผู้มีศักย์ใหญ่แต่ว่าสรุปเดรชานก็คือภูมิที่ไปไปบางแห่งก็ดีนะเช่นพญานาคก็ดีแลหละนาคบางกลุ่มก็ดีพญาครุฑบางกลุ่มก็ใช้ได้เวมานี่กระเปดิดช่วงที่อยู่วิมานก็ถือว่า แจวละแต่ช่วงอื่นๆ น, นี่สิเนี่ยก็เลยเรียกว่าอบายเพราะไม่เจริญทุกคติหมายถึงเปรตจริงอยู่เปรตติวิสัยนั้นน่ะเรียกว่าอบายเพราะปราศจากสุขคติปราศจากสุขคติเพราะเป็นภูมิที่ไปแห่งทุกข์แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นวินิบาตเพราะไม่ได้ตกไปโดยไร้อํานาจเช่นพวกอสูรวิมานก็บังเกิดแก่เปรตผู้มีฤทธิ์มากมันกลุ่มเปรตทั้งหลายก็เรียกว่าวินิบาตอสุรกายอสุรกายเรียกว่าวินิบาตเหมือนกัน โดยอัฏฐะที่กล่าวแล้วเรียกว่าอบายทุคติเรียกว่าวินิบาศเพราะตกไปโดยไร้อำนาจจากกองสมบัติทั้งหมดโดยเฉพาะอสุรกายก็คือสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่ากลุ่มเปรตไร้ญาติขาดมิตรเปรตอนาถาเทวดากลุ่มใครอะไรนะที่เราเรียกว่าผีหลอกผีร้อนอะไรทั้งหลายโดยมากก็กลุ่มอสุรกายแต่ก็อยู่ในกลุ่มประเภทเปรตเหมือนกันเนี่ย น, นะพวกนี้ก็ที่เรียกอะไรนะกินน้ำลายกินขยะกินมูลกินฝอยกินอะไรเท่าแต เท่าที่จะหาได้ส่วนนรกก็มีอะไรนะอเวจีมหานรกเป็นต้น น, นะสัญชีวานรกกาและสุตานรกต า, ต า, ตาปณนะนรกโลรุวานรกมหารูรุวานรกอเวจีนรกแล้วก็มีอุสะทะนรกเป็นบริวารเองก็กระจายอีกหลายกลุ่มด้วยกันนั้นอันนี้ก็คือโทษของการทุศีลถ้าทุศีลก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกดังที่กล่าวไปสรุปทบทวนว่าการทุศีลหนึ่งครั้งเนี่ยนะขาดทุนเท่าไหร่ อันนะั้นข้อแรกอันนะั้ขาดทุนห้าประการใหญ่ๆเลยในะแรกเสื่อมโภคะเนี่ยนะล่มจมหมดเลยเสื่อมโภคาสองอันนะั้เรียกว่ากลายเป็นคนเลวในหมูคห่คนเหมือนกันนะกลายเป็นคนเลวเพราะทุกคนก็จะพูดถึงแต่ความเลวของเราชื่อเสียงเหมือนกันสามเป็นผู้ที่เก้อเขินขั้นครามไปที่ไหนก็กลายเป็นวัวสันหลังหวหวาดระแวงไปหมดเลยข้อที่สี่ก็คือ ก็เรียกว่าตายด้วยความลุ่มหลงเนยนะตายด้วยความลุ่มหลงละลื้ถึงคุณงามความดีไม่ได้นะเนึกถึงแต่ความชั่วสุดท้ายก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนั้นเราเห็นหมู่เปรตอสุรกายเดรัจฉานแล้วก็สาวไปหาเหตุในอดีตได้เลยว่าพวกนี้เกิดจากทูศีนถ้าเขาไม่ทูศีลเขาไม่ไปสู่อบายแบบนี้หรอกแต่ที่เขาไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตินรกเพราะเขาไม่เห็นว่าศีล น, นี้เป็นทรัพย์เขาไม่คิดว่าศีนนี้คืออริยทรัพย์ที่จะทําให้เขาพ้นจาก ไททั้งหลายเขาก็เลยเห็นว่าการทุศีลเป็นเป็นสิ่งที่ดีคนพานทั้งหลายถือว่าการทุศีลเป็นความดีในภารบมณฑิต ส, สูตรนั้นกล่าวถึงว่าคนที่ทุศีลเนี่ยนะคนที่ทุศีลทําความชั่วด้วยกายวาจาใจที่เราเรียกว่าคนพานเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะท่านบอกว่าคนที่เสียการพนันหมดเนื้อหมดตัวเป็นต้นเนี่ยนะหมดลูกหมดเมียมหมดทรัพย์สินจนถึงขนาดว่าเหลือแต่ตัวล่อนจน้นก็ยังถือว่าเสียหายน้อย ถ้าเทียบกับคนทำคนทําชั่วหรือคนทูศีลเพราะว่าทูศีลเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยถ้าไปเกิดในอบายและสภาพของสัตว์อบายเป็นยังไงมีผ้านุ่งไหมไม่ ม, ม, มีเนี่ยนะถ้าเป็นปลาก็ปลาทีา่ไม่มีเกล็ดอะไรเลยเนี่ยนะบ า, บางตัวก็ไม่มีเกล็ดผ้านุ่งก็ไม่มีเที่ยอะไรเลยอาหารก็หายากเต็มทีมาดูอนนี้สงของศีลบ้างนะถ้าเรารักษาศีลดีจะเป็นยังไงศีราวาบอกกั้นดูก่อนขึ้นหาบดีทั้งหลาย อันนี้สงแห่งศีลสมบัติของผู้มีศีลห้าประการนี้ห้าประการเป็นไงบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ย่อมได้กองแห่งโภคะใหญ่เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอันิี้สงแห่งศีลและสมบัติของบุคคลที่มีศีลประการที่หนึ่งคนมีศีลก็มีศีลโดยการสมาทานนะถ้าถ้าจะมีศีลมีโดยการสมาทานศีลวาคือมีโดยการสมาทาน ศีสลสัมปันโนคือผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเพราะยังศีลให้สําเร็จโดยให้บริสุทธิ์และบริบูรณ์คนที่รักษาศีลดีก็เป็นเหตุให้ได้รับให้ประสบกับกอ ง, กองโขคะโขคะที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถรักษาให้มั่นคงถาวรต่อไปคือบางคนเนี่ยน ะ, ะรักษาโขคะไม่ได้แปลว่าตายจากโขคะก็ได้บางคนก็ถูกโขคะนี่ถูกยึดเอาไปหมดเลยก็ได้แบ่งแบ่งเป็น2กลุ่มไอเสื่มจากโขคะนะ เสื่อมเพราะตัวเองตายจากโภคะอย่างหนึ่งหรือว่าเสื่อมเพราะโภคะเสื่อมไปจากตนเนียอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนที่มีศีลเนี่ยนะก็ไม่เสื่อมด้วยเหตุประการทั้งสองเนี่ยนะก็สามารถที่จะบริโภคใช้สอยในโภคะเหล่านั้นได้อย่างสุขสบายเพราะตัวเองเป็นผู้ที่มีศีลอีกประการหนึ่งกิติศัพท์ชื่อเสียงที่ดีงามของผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมขจรไป น, นะเขาก็พากันยกย่องสรรเสริญว่าเออบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มี ศีลอีกประการหนึ่งบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลเข้าไปหาบริษัทใดคือขติยะบริษัทพรามณะบริษัทครหบดีบริษัทสมณะบริษัทย่อมเป็นผู้แกล้วกล้ามไม่เก้อเขินเข้าไปหาบริษัทนั้นนี้เป็นอานิส ง, งส์แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลประการที่สมดังนั้นคนมีศีลเนี่ยก็เข้าไปณนะที่ใดก็ไม่ขรั่นคขามไม่หวาดไม่ระแวงเนยนะที่ไม่ระแวงก็เพราะว่า เปรียบเหมือนว่าคนไม่มีมือไม่มีแผลว่างั้นเถอะคนที่ไม่มีแผลที่ไหนก็ไม่ไม่น่าคลั่นคล้ามะนะซึ่งต่างจากคนทุศีลดยสิ้นเชิงไปอย่างสงา่าผ่าเผยไปอย่างมีความสุขยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสจิตใจไม่ได้เดือดร้อนเร่าร้อนอะไรอีกประการหนึ่งบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นผู้ไม่ตายด้วยความลุ่มหลงเพราะระลึกถึงคุณงามความดีที่ตัวเองได้เคย กระทำมาอันนี้เป็นอ น, นิส ง, งส์แห่งศีละสมบัติของบุคคลผู้มีศีลประการที่สี่สำคัญมากเลยนะก่อนจะตายเนี่ยนะจะไปดีหรือไปไม่ดีจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่ก่อนจะตายเนี่ยตายด้วยใจประเภทไหนถ้าลุ่มหลงรละลึกถึงคุณงามความดีไม่ได้จะไปไหนล่ะ แต่ถ้าหากว่าก่อนจะตายระลึกถึงได้แต่คุณงามความดีบุญกุศลที่เคยเจริญมานึกถึงทานที่เคยให้ศีลที่เคยรักษาบุญกุศลที่ได้ก่อร่างสร้างมาก็จะเป็นเหตุให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์อีกประการหนึ่งผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็คือมนุษย์และเทวดาเป็นต้นนี้เป็นอนิส ง, งส์แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลประการที่ห้า ดูก่อนเครือหา บ, บดีทั้งหลายอ น, นิสงฆ์แห่งศีลและสมบัติของผู้มีศีลห้าประการนี้แหละลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้อุบาสกชาวปาตลิคามให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ราชเริงด้วยธรรมีกรถาสิ้นราตรีเป็นอันมากแล้วก็ส่งไปด้วยพระดํารัสว่าดูก่อนเครืหา บ, บดีทั้งหลายราตรีล่วงไปแล้วท่านทั้งหลายจงสําคัญเวลาอันควรณบัดนี้เถิด ก็ฟังธรรมไปจนดึกนะนะจริงก็ฟังธรรมจนดึกลำดับนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวปาติลิคามก็ชื่นชมยินดีพาสิทิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลูกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหลีกไปลำดับนั้นเมื่ออุบาสกชาวปาตลิคามหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปยังสุญยาคารเรือนว่างอธิบายในหน้า็เจว่า ที่บอกว่าพระองค์เนี่ยนะแสดงธรรมแสดงธรรมตลอดราตรีเป็นอันมากแสดงธรรมจนสิ้นราตรีเป็นอันมากแสดงอะไรอะไรนะโทษของการทูตศีลหอันนีสงห้องมีศีลห้าทำไมแสดงไปจนดึกดื่นก็บอกไม่ได้แสดงเฉพาะเรื่องศีลหรอกแสดงเรื่องอื่นด้วยแสดงอันนสงส์งอนุโมทนาสำหรับผู้ที่ถวายที่พักอาศัยด้วยแต่ว่าไม่ได้ยกขึ้นสู่สังขยานาจังนั้นเอง ในคราวนั้นเนี่ยนะเหตุที่พระเจ้าอาชาติสัตรูเมื่อสร้างนาครปาตลิบุตรในที่นั้นเนี่ยก็นําเอากุดุมพีที่สมบูรณ์ด้วยศีลและอาจาระในคามนิคมชนบทราชธานีอื่นๆแล้วประทานทรัพย์ทัญญาหารมีบ้านที่นาเป็นต้นและการปกครองแล้วให้ให้อยู่ที่อยู่อาศัยหมู่บ้านปาตลิคามเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เกณฑ์คนมาไปเกณฑ์เอาคนมีศีลมาอยู่รวมกันเนี่ยนะพระเจ้าอาชาติสัตรูเนี่ยไปเกณฑ์เอาคนมาเนี่ยนะ คือพระราชาโบราณเนี่ยสั่งให้สั่งให้ราษฎรไปอยู่ณที่ไหนก็ได้เนี่ยนะนนะก็สั่งไปเอาไปคัดคั ด, ดเอาคนมีศินมีความรู้ความสามารถไปสร้างหมู่บ้านตาตลิขามขึ้นเพราะว่าเป็นที่ยันกองทัพด้วยแล้วก็บ้านปาตลิขามเนี่ยถือว่าเป็นฐานทัพของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ตีเมืองภัยาลีด้วยนะตอนหลังเมืองภัยาลีก็กระจายพินาศหมดพระพุทธเจ้าปริญนี้ผานไม่นานเท่าไหร่เมืองภัยาลีก็วิบัติย่อยยับหมดเนี่ยนะเพราะว่า มันอยู่ในแผนของพระเจ้าอาชาติศัตรูอยู่ตลอดเวลาคือจริงๆก็เกิดจากว่ามัน ม, นมีสึกชิงผลประโยชน์ะนะก็ชิงมหาพูดนั่นแหละทีนี้สำหรับชาวบ้านเหล่านั้นะนะ ท, ที่เป็นชาวบ้านปาตลิคามเนี่ยเป็นผู้ที่มีปกติมีศีลอยู่แล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงถึงอนิส ง, งส์แห่งศีลก่อนแก่อุบาสกอุบาสิกาชาวปาเตลิคามผู้หนักในศีลโดย พิเศษเนี่ยนะหมู่บ้านของคนรักษาศีลผู้เห็นอนิสงส์ของศีลและศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งคุณทั้งปวงศีลเป็นที่ตั้งแห่งคุณเหมือนกับว่าแผ่นดินเป็นที่ที่ตั้งแห่งอะไรสัตว์สัตสองเท้าสัตสี่เท้าเป็นที่ตั้งแห่งหมู่บ้านเป right er ็นที่ตั้งแห่งเมืองทั้งหลายแผ่นดินทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นที่ตั้งแห่งอยู่แห่งสัตว์สังขารทั้งหลายฉันใดศีลก็เป็นที่ตั้งอาศัยแห่ง คุณธรรมทั้งหลายฉันนั้นรองรับคุณธรรมเหล่าอื่นเหล่าอื่นฉันนั้นศีลเป็นที่รองรับคุณธรรมคือฌานอภิญยาสมถาวิปัสนามรรคผลคุณธรรมทั้งมวลนี่ล้วนแต่มีศีลเป็นที่ตั้งจากนั้นพระองค์ก็แสดงปกินากาาะกระถาปกินกะก็คือเนื้อความทั่วไปที่นำมาซึ่งประโยชน์สุกแก่อุบาศกชาวปาตลิคามเหมือนอย่างอากาศคงคาให้หยั่งลงเหมือนฉุดมาซึ่งง้วนดิน เหมือนจับยอดว่าใหญ่เขยา่าเขย่ากิ่งว่านะหรือไม่ก็เหมือนเอาเครื่องยนต์บีบคั้นรวงพึ่งประมาณยอดหนึ่งให้สำเร็จไปด้วยน้ำหวานที่ดีพระองค์แสดงธรรมกถาประกาศอริยสัจเป็นอันมากที่วิจิตไปด้วยนัยยะต่างๆยกตัวอย่างเช่นดูก่อนเครือหาบดีทั้งหลายธรรมดาว่าอาวาสสถานการให้ที่อยู่เป็นฐานนี้เป็นบุญมากเราและภิกษุสงฆ์ได้ใช้ที่อยู่คืออาวาสของพวกท่าน ก็แลเมื่อเราและภิกษุสงฆ์ใช้แล้วก็เชื่อว่าทรมรตนะก็ได้ใช้เหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่พระธรรมก็อิงอาศัยอะไรก็พระธรรมก็อิงอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมก็อิงอาศัยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมันทำมรตนะก็ได้ใช้แล้วเมื่อรัตนะสามได้ใช้แล้วย่อมมีวิบากหาประมาณไม่ได้ พันบุญกุศลที่เจริญโดยมีพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์นั้นเป็นบุญกุศลที่ให้ผลหาประมาณไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อถวายอาวาสถานก็เป็นชื่อว่าถวายฐานทั้งปวงทีเดียวนะใช่มผู้ผู้ให้แสงไฟคือผู้ให้สายตาผู้ให้ผ้าคือผู้ให้ผิวพรุ์ให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าให้กำลังให้รองเท้าเป็นต้นหรือให้ยานชื่อว่าให้ ความสุขฉันใดผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยเชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ของทั้งปวงฉันนั้นใครๆไม่อาจจะกําหนดอนิสงส์ของบรรณศาลาที่อยู่อาศัยที่สร้างไว้บนแผ่นดินหรือศาลารายที่สร้างอุทิศสง์ด้วยอนุภาพแห่งอาวาสถานแม้สัตว์ผู้จะบังเกิดในภพเนี่ยนะชื่อว่าอยู่ในครันที่ถูกบีบคั้นก็หามีไม่ อยู่ในท้องแห่งมารดาผู้เกิดในครันก็ไม่คับแคบเลยเหมือนอยู่ในห้องประมาณ12บองศอกอะนะขั้นการที่ให้ที่อยู่อาศัยนี่เวลาเกิดในท้องก็ไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่นะแต่บางคนเนี่ยเกิดในท้องเนี่เดือดร้อนตลอดก็เพราะอะไรเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทําเหตุประเภทนี้หรืออาไปบีบใครให้อยู่ในที่แคบแคบเอาไว้โปรง์ก็แสดงถึงอนิสง์แห่งอาวาสถานคือให้การให้ที่อยู่อาศัยเป็นทานโปอง์ก็แสดงนั่นแหละเที่ยงคืน ก, กว่า แต่ว่าก็แนวทางก็บอกว่าเสนาสนะอะนะประโยชน์ของการให้เสนาสนะประโยชน์ของตัวเสนาสนะก็คือป้องกันเย็นป้องกัน ร, ร้อนป้องกันสัตว์ร้ายยุงงูฝนเป็นที่ตั้งแห่งฤดูแล้วก็เป็นที่ตั้งอขออภยัยที่อยู่อาศัยป้องกันลมป้องกันแดดที่กล้าเกิดขึ้นแล้วย่อมบรรเทาได้การถวายวิหารทานแก่สงเพื่อเร้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพิจรารณา หรือเพื่อเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นฐานอันเลิศถวายที่อยู่ให้แก่สงเพื่อเร้นก็คือเพื่อวิเวกนะนะท่านจะได้อยู่อาศัยกายาวิเวกขณะเดียวกันท่านก็จะได้เจริญเหตุแห่งความสุขเพ่งพิจารณาพิจารณาอริยสัจธรรมเจริญวิปัสสนาเป็นต้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าการให้ที่อยู่อาศัยนี้เป็นฐานที่เลิศเพราะเหตุ น, นั้นแหลบุรุษบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนเห็นแน่ว่าตัวเองเนี่ยควรได้รับประโยชน์ใช่ไหม ไอการได้รับประโยชน์เนี่ยถ้าไม่มีเหตุเป็นไปได้ไหมไม่ได้เหตุที่ทําให้ตัวเองได้รับประโยชน์เหล่านั้นก็คือการสร้างวิหารอันน่ารื่นรมให้แก่พี่สูตทั้งหลายผู้เป็นปหูสูตรอยู่เถิดแล้วก็ไม่ใช่ให้แต่ที่อยู่อย่างเดียวพึงถวายข้าวน้ําผ้าเสนาสนะแก่ท่านเหล่านั้นด้วยน้ําใจอันเลื่อมใสในท่านผู้ซื่อตรงมั้นท่านผู้สูตรซื่อตรงโดยเฉพาะเป็นปหูสูตรเขาก็จะแสดงทําให้ฟัง เพราะฉะนั้นเขาเมื่อรู้ธรรมอันใดในโลกนี้แล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลใช่อย่างโสนะกุติกันณนะอุบาสกานะใช่ที่ที่ได้เรียนไปครั้งก่อนน่นะที่พระโสนะที่ที่แสดงแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังและพระองค์อนุโมทนาโสนะกุติโกติกันณนะอุบาสกนี่ก็สร้างวัดถวายแก่พระอะไรพระมหากัจจายนะพระมหากัจจายนะก็แสดงธรรมให ให้ฟังเนี่ยนะตอนหลังก็โสนาคุติกันนะก็มีศรัทธาเลื่อมใสออกบวชก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพิสุทที่เลิกกล่าวทำมรรคาโดยความไผ่ร้ออันนั้นก็เป็นผลที่ถวายอาวาสสถานเป็นต้นเนี่ยนะถวายที่อยู่อาศัยฉะนั้นผู้ที่ถวายที่อยู่อาศัา ย, ย, าายแก่ผู้ที่เป็นหูสูตรได้ยินได้ฟังอริยสัจธรรมเป็นอันมาก ผู้ที่มีความรู้เหล่านั้นก็จะแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมเขาฟังและเข้าใจมีการประพฤติปฏิบัติตามไตรศิกษาทั้งสาก็สิ้นอาสวะปรินิพานเพรา ะ, ะนั้นท่านเหล่านั้นก็จะแสดงธรรมเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์แก่เขาทั้งปวงอย่างนี้แตนะ่เพราะที่อยู่อาศัยเนี่ยน ะ, ะมันเป็นที่เป็นทำเลนะมันเป็นปฏิรูปประเทศที่จะทําให้ จเจริญกุศลอย่างอื่นๆต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเร า, เอาอยู่ในที่อยู่ที่ไม่ส ป, ปาย ะ, จะเจริญไหมก็ไม่จเจริญที่อยู่อาศัยเสนาสะนะทั้งหลายเนี่ย เ, เป็นเป็นสถานที่ที่ทำให้สามารถบำเพ็ญไตรสิกขาได้อย่างสืบเนื่องและยาวนานเนี่ยนะโดยเฉพาะอาวาสทั้งหลายก็เป็นสถานที่ที่ฟังธรรมเป็นต้นเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่ทราบตอนนี้เป็นตลาดและก็ที่จอดรถ นั้นส่วนตะกินนาการคถาทั่วๆไป ท, ที่ที่พระองค์แสดงกับชาวบ้านปาตาลิคามก็ไม่ได้ยกขึ้นสู่สังขยาทีนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปนานขนาดไหนบอกว่าผ่านไปสองอยามก็คือประมาณเที่ยงคืนแสดงธรรมจนถึงเที่ยงคืนเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้อุบาสกเหล่านั้นกลับไปถามว่าทําไมเพื่อจะอนุเคราะห์อุบาสกเหล่านั้นด้วยสงเคราะห์สองอย่างนะสงเคราะห์อุบาสกเหล่านั้นให้กลับไปเนี่ยนะ พ่อแม่ถ้าหากว่านั่งฟังทำนั่งพักเพียบเป็นต้นเนี่ยนะนั่งฟังทั้งคืนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวก็กลับไปนอนป่วยกันหมด ย, นะยุ่งเลยขณะเดียวกันก็พระพิสุก็ไม่ต้องฉันกันแล้วนะเพราะว่าคนที่ทําอาหารมาป่วยกันหมดแล้วก็เดือดร้อนหลายประการเพราะฉะนั้นก็บอกว่าฟังจนสมควรก็พักผ่อนกันได้แล้วพระองค์ก็เข้าไปในขณะเดียวกันพระภิสุสองท่านก็จะได้มีโอกาสได้พักผ่อนบ้าง พระองค์ก็เลยเข้าไปสู่สูนยาคารในที่นั้นอคำว่าศูนยาคารก็คือกั้นม่า น, นนะเป็นห้องให้พระพุทธเจ้าก็ก็เหมือนกับอะไรนะโรงพยาบาลสมัยนี้เขา ก, ก็อะไรนะม่านบังตาใช่ไหมนี้ก็เหมือนกันในห้องนั้นแหละก็เอาม่านมาบังเป็นพุทธบูชาพระองค์ก็เลยเรียกเข้าการเอาม่านมาบางังเรียกว่าเรียกว่าศูนยาคารเครือขาบดีเหล่านั้นได้เอาผ้าม่านแวดวงเอาไวนะ้ณที่นั้นแห่งอวสัถาคาั้นนั่นแหล ให้จัดแจงเตียงที่สมควรลาดเครื่องลาดในที่สมควรในที่นั้นผูกเพดานประดับด้วยทองคําด้วยเงินด้วยของหอมและมาลาเป็นต้นยกประทีปน้ํามันหอมไว้เบื้องบนด้วยคิดว่าฉนาหนอพระาศาสดาจักพึงเสด็จลุกจากธรร ม, มาะพระองค์นี้ก็ประสงค์จะพักผ่อนหน่อยหนึ่งพึงบรรทมในที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงใช้สอย เรือนว่างนี้ของเราหรือหรือที่พักค้างแรมของเรานี้ด้วยอิริยาบททั้งสข้อนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานเพราะว่าเป็นการกระทาเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะภาษาสกาก็เลยประทับโดยอะไรสีหาสายาในศูนยาคารนั้นศูนยยาคารนั้นเนี่ยถือว่าพระพุทธเจ้าได้ใช้ในอิริยาบทสีอิริยาบทสี่มีอะไรบ้าง ก็คือพระองค์นี้เสด็จดำเนินตั้งแต่ล้างพระบาทไปจนถึงธรร ม, มาสการเสด็จดำเนินนี้ก็เรียกว่า